วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะธันวาสองห้าห้าสี่อีกไม่กี่วันกี่เดือนก็จะเป็นสองห้าห้าห้าวันเวลานี่ผ่านไปเร็วมากแต่พวกเราทั้งหลายผู้กำลังแสวงหาทางบางทีก็ยังไม่พบทางผู้เดินทางก็ยังไม่รูนะ้ว่าเดินไปถึงไหนแล้วก็มีบางคนยังไม่ได้ออก เริ่มต้นเดยซ้ำไปชีวิตนี้มีอยู่รอยหนึ่งยังไม่ได้บวกหนึ่งบวกสองเลยยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับโลกอยู่การเดินทางก็คือการก้าวออกจากทุกข์บางคนยังเป็นทุกข์อยู่เวลาก้าวแต่ละทียังติดนอนติดเน่ติดง่วงติดเงาติดเบือ่อติดนายติดความรักความชังติดสเสน่หาอะไรไม่สามารถทจะก้าวออกจากทุกข์ได้ แม้ว่าอายุจะเลื่องล่วงเลยสังขารจะเสื่อมสุดจนอาจถึงที่จุดที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือแตกดับแล้วแต่การเดินทางก็ยังไม่เริ่มต้นหลายหลายคนมองว่าการเดินตามเส้นทางของอริยมรรคเนี่ยเป็นเรื่องตลกบางคนคิดว่าเป็นเรื่องสมัครเล่นคนผู้เป็นโรคมาแต่กําเนิดเนี่ย ไม่จะมีคนไปบอกว่าโรคนี้สามารถรักษาหายหได้เขาก็ไม่เชื่อเพราะสนุกมาแบบนั้นคนตาบอดมาแต่กาเนิดก็จะเป็นแบบนั้นะก็จะหลงเพลิอนอยู่ในวีทนาไม่รู้จักดวงอาทิตย์ดวงจนรไม่รู้จักสีแดงสีขาวสีเหลืองไม่รู้จักความสะอาดความสกปรกอะไรทั้งนั้นวันวันหนึ่งมีคนไปหลอกเขาว่าถ้ามีสะอาดอันนั้นสกปรก เอาผ้าสกรปรกไปห่มให้เขาแล้วบอกว่านี่ผ้านี้สะอาดเขาก็เชื่อเหมือนชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยโดนคนหลอกโดนกิเลสหลอกโดนอัตตาตัวตนอวิชชาตันหาอุปาทานหลอกเราเองว่าเราเกิดมาแล้วเราแสวงหาความสุขอยู่แต่ในเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ย อีกหน่อยก็ทุกข์ทุกข์หน่อยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยเป็นอย่างนี้แลว้วแล้วแล้วแล้วแล้วกล้กวแล้วแล้วแล้วแก้กกวแา้ขขวแล้วแล้วแล้วแลสวแล้วแล้วแล้วแล้วแลนวแลววแล้วแล้วแล้วแล้วว้ว้ว้วล้ว้วแล้วแล้วแล้ลแลวแลวแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วล้วแล้วแล้สแสลส้ ส, ลสรล้วแิ้วแล้้ว้วแววแแแล้วแลวแลวแล้วแล้วแ้นแ้วแล้วแล้วแล้วแล้วแ้้ มนุษย์ในโลกนี้ผู้ไม่มีดวงตาไม่ได้สดับไม่มีปัญญาย่อมเปรียบเสมือนคนตาบอดที่มีมาแต่กําเนิดไม่รู้จักทางไปเขาเอาของสกปรกให้ก็เอาเขาหลอกว่าสะอาดก็สะอาดตามเขาเหมือนเขาบอกว่าสุขเวทนานี่คือความสะอาดทางใจเอาผ้าสกปรกให้ เอาทุกข์ให้เอาอะไรให้แล้วก็เอาโมดเราเรียนรู้ตามพ่อตามแม่ตามพระสงฆ์องค์เจ้าตามลัทธิตามประเพณีนิยมจนถังมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้จักฝึกจักฝืนเราไม่มีดวงตาเราไม่ยอมรักษาให้ตาของเราหายเลยเราคก็หลงจมอยู่กับโลกที่เขาแต่งเขาสร้างขึ้นมากี่รุ่นกี่ราย กี่คนกี่ตัวกี่ต้นแล้วนะที่เกิดมาแล้วตายไปตายไปตายไปโดยไม่เห็นสัจธรรมบอดมายัางไรก็บอดอย่างนั้นเขาเรียกว่าตามโมตมะปรายโนผู้บอดมามืดมาแล้วก็จะมืดไปมืดมาแล้วก็มืดไปไม่เห็นทางสว่างน้องชีวิตนเราไม่รู้สึกว่าเราถูกหลอกโสกโปกเขาบอกว่าสะอาดแล้วก็สะอาดตามเขา เราติดอยู่ในความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงติดอยู่ในความเป็นทุกข์เราดิ้นไปตามจังหวะของทุกข์ที่มันบอกแล้วคนทั้งหลายเขาก็บอกว่านี่แหละคือความสุขของชีวิตเราก็วิ่งเสว่งหาเอาเป็นอยู่แบบนั้นและเราไม่เฉลียวใจว่านี่คือความจริงหรือมันไม่ใช่ความจริงแะสิ่งที่ควรทำก็คื อ, อเราไปรักษาดวงตาของเราซะ คนที่ติดความไม่รู้มาติดกําเนิดมันก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นนะไม่รู้อยู่นั้นแล้วได้อะไรต่อพยายามรักษาดูแลชีวิตเราไว้เพื่ออะไรเพื่อ ท, ทําตามคนโง่ที่มาหลอกเราเหรอเขาว่าอันนี้ความสุขเราก็เอ า, าความสุขนั่นความร่ำรวยความเพลิดเพลิอนอยู่ในกรรมาคุณเป็นความสุขนี่แหละสิ่งที่ควรปรารถนานี่แหละคือนิพพานนี่คือบรมสุข เราก็แสวงหาความแสวงหาความไม่เที่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นๆลงๆสุกๆทุกๆเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงละแสวงหาความเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์เด็เพราะเราทำใจไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงอนนั้นสิ่งที่เราไม่ยอมรับไม่ยอมนับถือไม่ยอมฝึกฝนหมอบพรมจิตตัวเองเนี่ยเพราะจิตของเราเองมีอวิชชา คือความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงพอไม่มีวิชามีแต่อวิชาเป็นเช่นนี้มันก็มีความรู้สึกว่ามันมีอัตตาตัวตนมีทิฏฐิมีมานะครอบครองอยู่ด้านในวันหนึ่งหนึ่งความไหลของไปของอารมณ์เนี่ยมันก็ย่อมเป็นไปตามลักษณะสิ่งที่มันบงการอยู่ข้างในความหลงผิดมีอยู่มันก็ต้องหลงผิดคิดผิดทำผิดพูดผิด ตั้งใจไม่ผิดรับรู้อะไรก็รู้แบบผิดๆคำว่าผิดเนี่ยหมายว่าผิดจากสัจธรรมครับจิตเราก็เลยไหลไปตามกระแสเราไม่เคยเฉลี่ยวใจว่าเราจะต้องรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไหลไปตามความคิดความอยากความคิดอารมณ์แต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะมันมีความอยากหลงเอาความสุขมาเป็นความทุกข์ หลงความไม่เที่ยงว่าเป็นความเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนมันเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันดับไปโดยธรรมชาติสิ้นเหตุปัจจัยมันก็ดับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้ก็มีเหตุนี้ดับเหตุนี้มันก็ดับมันอยู่ดยเหตุปัจจัยนั่นเอง ยิ่งถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกความรักความชังความยึดติดอุปทานทั้งหลายยิ่งเป็นอนัตตาเพราะมันเกิดมาแล้วมันก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเห็นไหมความคิดต้องคิดทั้งวันเดินจุกลมกลับไปกลับมาเราก็ไปยึดมันมันคิดขึ้นมาก็เยอะแต่อีเชืนหน่อยชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านไปมันก็ดับไปเอง มันไม่มีแต่เราก็ไปคิดขึ้นมาอีกเพราะเราจิตเราติด่ยมันติดมันยึดติดมันผูกพันเราจึงไม่มีวันไม่มีเวลาของความเข้าใจเพราะไม่มีช่องว่างให้ได้ระลึกรู้เลยเพราะเราไม่เคยที่จะอยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยคำตอบเรื่องความว่างหรือการเว้นว่างกลางความคิดอารมณ์อะไรต่างไม่ปรากฏกับเราผู้เป็นบุถุชนเราก็ได้หลงไหล อยู่ในปรากฏการณ์ของมายาธาตุขันธ์พวกนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เกิดแล้วดับเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายไม่มีวันจบสิ้นนะการเกิดแก่เจ็บตายทางพุทธศาสนาเนี่ยคือการเกิดแก่เจ็บตายทางธาตุทางขันธ์ภพชาติเป็นเรื่องของจิตแต่ละขณะขณะคํามตัวน้ําที่เราสวดเมื่อกี้นะปุญญสิทธานีิขตสันไอายเ น, นี่ยนี้ก็ตาณิเม เทสันจะพากิโนโอตุสัตตานันตปรมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดมีนะไม่มีประมาณมีนะจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าในได้ทําในบัดนี้เราคิดว่าบุญกุศลในคนนี้ทําให้คนนั้นได้คนนั้นทําให้คนนี้ได้พาสิตอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่งนะเนี่ยราชการที่สี่แต่งนะเ น, น, นี่ยคําตรวจน้ําเนี่ยฉั้นเรารู้ทันทีว่าสุภาสิตอันไหนที่เป็นของพุท ธ, ธ อันไหนเป็นสัจธรรมปฏิรูปความเข้มมันจะต่างกันเลยคนเข้าถึงสัจธรรมเวลาแต่งบทมันจะรู้จักเป็นเรื่องของสัจธรรมแต่ถ้าพระมหาป ร, ริยันอะไรเขาแต่งนี่จะเป็นบทสารเสริญแม้แต่บทคาถาจินบัญชรก็คือสารเสริญคุณธรรมของพระอรหันต์ยอดกันปไตยปิดกอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าพุทธพจน์ที่เขาจะชี้เรื่องสภาวะ ต้องตรงเลยคนไหนทำคนนั้นก็ได้ทำแทนกันไม่ได้ต้องมีส่วนแห่งบุญที่ก็พระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยานวันตาคุณวันตาจะไม่ห้งมาตาปิตาทะโยทิตาเมจัปยาทิตาเมัญญาวัจจะตะเวลีโน จะเป็นสัตว์เหล่าใดที่เป็นรักใคร่และมีความบุญคุณเช่นบรรดาบิดาของขกบฏเจ้าเป็นตนก็ดีที่กบฏเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์ที่อื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เว้นกันก็ดีเราพูดยอมใจเราเองถ้าจิตเรามีพลังในการฝึกฝนในการพัฒนาตนไปสู่ความก้าวหน้าสูงขึ้นเพราะถ้าพูดถึงเรื่องปรมัติตย์จะประมัตทธรรมเนี่ยมันทําแจนกันไม่ได้ตัวใครตัวมัน สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันกันเดียวเขาพูดถึงเรื่องจิตนะสัตว์เนี่ยสภาวะหนึ่งหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตเราเรียกว่าเซนสัต์เป็นปรากฏการณ์ของสัตว์ขณะหนึ่งหนึ่งนั่นเองภูมิทั้งสามนี่หมายถึงกาม ติดอยู่ในกามติดในรูปในอารมุปกามบาวจรภูมิรูปบาวาจรภผมิอรู ป, ปาวจรผมกามบาวจรภผมกม็มกมคือคนที่ติดอยู่ในอารมณ์กามจิตมันท่องเที่ยวไปในอารมณ์กามคิดเรื่องกามเรื่องความใคร่รูปบาวาจรก็คือมันจรไปตามอารมณ์ที่มันเป็นรูปบางคนติดความสนุกสนานติดสวนติดดอกไม้นะติดของเก่าของโบราณ ติดเสื้อผ้าสวยงามติดยารักษาโรคติดที่อยู่อาศัยสร้างเป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเาติดในรูปมันไม่ไปเรื่องกลามแต่มันติดอยู่ในรูปจิตเนี่ยบางทีก็ติดอยู่ในอารูปไม่ใช่รูปนะติดแต่ลาบยศเสรเสริญติดชื่อเสียงรวมไปถึงการติดอยู่ในสมาธินะซึ่งเรียกว่าอารูปภูมิทั้งสามจิตก็จะเป็นอยู่แบบนี้ ถามว่าวันวหนึ่งเนี่ยจิตเราวิ่งไปทางไหนไม่ได้ไปทางไหนสามันเนี้ยจิดถึง ล, ลูกหลานครอบครัวผั ว, วเมียรทรัพย์สมบัติกเนี่ยติดอยู่ในรูปเมื่อติดในกามแต่ติดในรูปนี้เนี่ยกําเนิดทั้งสี่กำเนิดทั้งสี่ดูดิอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่จิตของเราอยู่ในกําเนิดทั้งสี่ ความคิดเวลามันไปเกิดนี่มันไปเกิดอยู่ในความสปกปรกเกิดอยู่ในตัณหาเกิดในสิ่งที่มาอุบัติขึ้นในใจเราแต่ละครั้งก็จะไหลไปตามกระแสคิดอะไรขึ้นมาไหลไปตามนั้นคิดอะไรขึ้นมาไหลไปตามนั้นมีขันห้าขันขันห้าขันก็อย่างตัวเราเองเนี่มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณขันมนุษย์นี่จะมีขันห้าครบเพียงแต่ว่าไม่มีอุปท า, าน ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับขันนันนี้รูปประขันความคิดเกิดขึ้นในใจก็ดับได้ดูมันได้ดับได้เวทนาพอใจไม่พอใจสุขทุกข์มันก็ดับสัญญาความจำอดีตอนาคตเกิดมาดับเองโดยธรรมชาติสังขารมันปรุงแต่งเรื่องไหนขึ้นมาก็ดับเองไปได้เองเห็นมันเกิดปรุงขึ้นมาก็ดับไปเองเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมัน ไม่ได้ทำด้วยอำนาจของไฟคือราคะโทสะโมหะแต่บางคนไปฝึกฝนตนเองปฏิบัติทำเพ่งจ้องนิ่งดิ่งไม่สนใจเรื่องเวทนาสัญญาสกาดวิญญาณอยู่ใจกับรูปวันวันหนึ่งเนี่ยอย่างคนบ้าน่มันอยู่ในมโนภาพของมันนะจมอยู่ในความคิดเนี่ยอยู่ใ่ในรูปเป็นนามรูปที่ติดอยู่นเนี่ยแต่บางคน ติดอยู่ในรูปร่างหน้ากายตัวนี้สนใจแต่เรื่องความสวยความงามประดับตกแต่งเสื้อผ้าชนิดนั้นร่างกายนี่เอามาขนใส่มันเมาในรูปไง ม, มีขันขันเดียวสนใจแต่เรื่องรูปกายตัวเองมันหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะแต่งตัวยังไงจะไปรักษาอะไรห่วงแต่ร่างกายสาําคัญจะกินนั่นนั้นจะดื่มมนันนี้เอาจริงเอาจังกับมันเลยไม่ได้สนใจฐานอีกสี่อย่าง ขันสี่ขันไม่ได้สนใจสนใจแต่ขันรูปขันอันนี้ได้ยินเขาว่าหมอที่นั่นดีหมอที่นี่เก่งโอ้ยหอบไปแล้วกลัวตายคนมันกลัวตายถ้ามันไปกินอาหารอร่อยๆแต่เสื้อผ้ามาสวมให้มันแล้วติดยึดมันนะขันขันเดียวอ่ะเนี้ยแต่บางคนก็ไม่สนใจนะสนใจเวทนาความสุขที่เกิดขึ้น เวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณขันสี่ขันเนี่ยเราติดอยู่ในขันทั้งสี่ขันอะนีนน้พวกนี้จะหมายถึงพวกเทวดาแต่พวกมนุษย์นี่มันจะติดในรูปขันทเทวดานี่ติดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณติดในความปรุงแต่งติดในความสะดวกสบายพวกเนี่ยคนที่ติดความสะดวกสบายมีความสุขอยู่ในเวทนา น, น, นั่นพวกเทวดา มีขันห้าขันมีขันคันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่มันก็ไหลไปตามนี้บางเรื่องก็จมเข้าไปนานเป็นพบใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ๆนานกว่าจะดับได้บางครั้งก็เข้าไปนิดเดียวก็ดับแล้วพบชาตแต่ละครั้งเนี่ยมันดับเร็วบางทีก็ดับนานกว่าจะดับยิ่งมื่อเราเดินจักรวันที่เป็นชั่วโมงลืมตากว้างๆมองไกลๆสร้างจังหวะแรงๆสูงๆ ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะจบสิ้นเสักทีชีวิตเราเนี่ยการปฏิบัติทำการศึกษาชีวิตเมื่อไหร่ไม่จะจบมีคนไปถามพระพุทธองค์ว่าในเมื่อชีวิตเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนตายแล้วนี่จะไปไหนทศพุทธิยะบอกว่าไม่มีคําว่าไปเอาเขาแสดงว่าไม่ไปสิไม่มีคําว่าไม่ไป แต่แล้วคงไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่กลับมาอีกจะไม่ไปไม่กลับแต่ว่ามีคําว่าเกิดหรือไม่เกิดคนเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดย้อนไปย้อนมาแต่ก่อนพระพเจ้าได้ยินชื่อเสียงก็เลื่อมใสพระพูดนี้หมดความเลื่อมใสทันทีพระพุทธธรรมวินัยนี่มันไม่ใช่ของตื้นๆที่จะมาคิดเอามันเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งสุ ข, ขุมคัมภีรภาพ เธอเคยเห็นเขาจุดไฟไหมพระพุทธเจ้าท่านถามเคยเห็นไฟเกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อเกิดจากไม้เกิดจากอยากใ่ขยะอะไรมาสุมเข้ากันแล้วก็จุดมันก็ติดเป็นไฟเรียกไฟจากไม้เคยเห็นไฟดับไหมเคยเห็นแล้วถามว่าไฟที่มันดับมันไปไหนเนี่ย นึกไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้มันไปไหนที่มันดับเพราะอะไรเพราะมันหมดเชื้อมันเผาไปหมดแล้วมันไม่มีเชื้อติดมันก็ดับฉันในก็ดีพระขีณนาศพในพุทธศาสนาเนี่ยเข้าถึงธรรมหมดเชื้อของความคิดความปรุงแต่งหมดเชื้อของความอยากทุกมันก็หมดไปโดยธรรมชาติ มันไฟนั่นแหละสะเก็ดมันกระเด็นกระดอนไปไหนมันก็ไม่เกิดอีกมันไม่ไห ม, ไมอีกมันไม่มีเชื้อบริเวณนั้นมันมีแต่จะดับทําลายตัวของมันเองที่ไฟดับนะะั่นเขาเรียกว่าเกิดไหมไม่ใช่เกิดที่ไฟดับนะั่นเรียกว่าตายไหมก็ไม่เรียกว่าตายเช่นเดียวกันในธรรมวินัยนี้เราไม่ได้บัญญัติคําว่าเกิดหรือคําว่าตายไม่มีเกิดไม่มีตาย มีแต่ความสิ้นเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วมันสิ้นเหตุปัจจัยท่านเองแต่ถ้าเรายั ง, งหลงไหลยังติดใจยังข้องแวะอยู่ในสุขในทุกขมีสมัยหนึ่งที่ขนะเป็นหลานของพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรบวชม่ได้ดวงตาเห็นทำเวียนวิปัสสนูไปสอนสอนอยังไงมันก็ไม่เชื่อฟังนะ่ะเป็นลงนุงเลยเนี่ย มีแะเถียงไม่อยากฟังอ่ะไอเรื่องแบบเนี้ยอยากฟังเฉพาะเรื่องที่ฉันชอบฉันจึงอยากฟังอะไรที่ฉันไม่ชอบฉันเรีว่าไม่ควรแก่ฉันอะไรที่มันคู่ควรแก่เราเลยเราจะฟังอะไรที่มันไม่คู่ควรไม่ฟังเรามันระดับไหนแล้วเนี่ยคุยไปคุยมาไม่รู้เรื่องก็เลยตามไปหาพระพุทธเจ้า ไปไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสนาเถิท่านพูดได้เพราะและตรงใจคนมากที่สุดเลยไปก็ไปแต่ไปแล้วถ้าแสดงทำไม่ดีไม่เป็นที่ชอบใจไม่เหมาะแก่ข้าพเจ้าถือว่าทำนั้นไม่ได้คู่ควรกับพระเจ้าจะกลับทันทีเลยนะเออไม่เป็นไรไปฟังเถอดพอไปถึงแล้วก็แสดงทำทำคือธรรมชาติของตัวเองออกมาเขาเรียกว่าสันดานเดิมทิฏฐิมานะความเห็นของตัวเองว่าพระเจ้าตั้งใจมาฟังธรรม แต่เขาบอกก่อนนะว่าทำไหนข้าพเจ้าพึงพอใจนั้นแสดงว่าทำนั้นควรเกะข้าพเจ้าแต่ถ้าท่านแสดงออกมาแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่พึงพอใจข้าพเจ้าไม่ชอบใจแสดงว่าไม่คู่ควรเกะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเดินไปทันทีนะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าความคิดอันนี้มันไม่คู่ควรเก่จิตของท่านคิดแบบนี้เนี่ยไม่คู่ควรกับจิตของตัวเองเลย คิดว่าอันนั้นถูกกับ น, นี่ผิดอันนี้ควแกะกูไม่กูเนี่ยไม่ใช่คุณไปยึดมันเอาออกซะสิไปยึดไว้ทําไมอ๋อมาเหนือเมฆเลยท่านไปยึดว่ามันมีมันไม่มีไงยึดทิฏฐิมานะยึดอัตตาตัวตนความคิดเห็นแบบนี้เป็นเรื่องของกูกูถูกกูคู่ควร ในความจริงไม่มีอะไรเลยความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปเราไปยึดถือตัวเราเองนี่เกิดจากผักจากหญ้าจากอาหารจากปูจากปลามาเป็นตัวตนของเราเรามีความรู้สึกมีความรับรู้แต่เราก็สําคัญมั่นหมายในความรู้สึกอนั้นสําคัญมั่นหมายในความรับรู้นั้นว่าเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของเราเองแทนที่เราจะเป็นผู้ดูชีวิต เป็นผู้เฝ้าผู้รู้ผู้เห็นชีวิตกับกลายเป็นว่าเราหลงหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์หลงเข้าไปอยู่ในความรู้ความรู้สึกความนึกความคิดอันนี้ว่าเป็นตัวตนของเราแล้วเมื่อกลายเป็นเวทนาขึ้นมาเวทนาแปลว่าสเสวยอารมณ์สเสวยอารมณ์สเสวยอารมณ์สุขเสวยอารมณ์ทุกข์สเสวยอารมณ์เฉยๆบางคนทาให้มันเฉยๆนะไม่สนใจเลยเฉยๆ เห็นไหมเวลาเรานั่งหลับตานำสมาธิเนี่ยจิตมันเข้าไปอยู่ในอุเบกขาเวทนาแต่เราไม่รู้จักว่านี่คือเวทนาเราคิดว่าอนี่คือความสุขอันนี้คือสมาธินะเราคิดนะเราเลยไม่พยายามออกจากความม่วงความเหงาความสลึมสลือเ น, นี่ยเราเรียกว่าคิดว่าเป็นสมาธิแต่ความเป็นจริงก็คือการติดอยู่ในความเฉยเฉยเนี่ยเวลานั่งปอแป๊บน รู้สึกตัวสน้อยหลังจากนั้นก็คือมันก็เฉยเฉยเนี่ยมันเข้าไปในเวทนาล่ะจมอยู่ในเวทนาคนปฏิบัติธรรมนี่เขาจะออกจากสุขเขาก็ออกทุกเขาก็ออกอทุกขามัสุขะหรืออุเวขาเวทนาก็ออกจากมันออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนเรามีบ้านแล้วออกจากบ้านซะไฟมันกําลังไหม้บ้านเราเราเห็นไฟไหม้บ้านแล้วก็ไม่อยู่ในบ้าน เรมีร่างกายสังขารร่างกายสังขารเนี่ยไฟกําลังเผาไหมไฟคือราคะโทสะโมหะราคะคิโทสะคิโมหะคิเผาลนตัวเองก็วเวลาไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายโซโกับริเทวะทุกขโทรมรารดุปายาสะปิตุขาไฟ คือความโศกเศร้าเสียใจพิรัยรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นไฟกำลังเผาหล่นตัวเราอยู่แต่ชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่แยบคายในการสังเกตชีวิตตัวเองก็จะไม่รู้ไม่เห็นว่านี่เป็นไฟยังจะมัวสนุกสนานเพลิดเพลิน อยู่กับร่างกายกองาธาตุกองขันอนะันนี้ไปเรื่อยๆว่าไม่เป็นความจริงของชีวิตนะเราไม่คิดว่าถูกไฟเผาแล้วรีบหนีซะออกจากบ้านมาซะเราติดอยู่กับกายอันนี้เราได้กาย น, นี้มาตัวจิตคือเราเราคือจิตแทนที่เราจะออกมาข้างนอกมาเป็นผู้ดูกายนี้มันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้ใส่ใจ เราก็เป็นผู้อยู่ในนั้นนั้นเวลามันเจ็บเราก็เจ็บตามมันมันปวดเราก็ปวดตามมันเวลามันตายเราก็ตายตามมันเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่แบบอามาตะได้ดยูด้วยความลดความละความรู้เท่าทันแยกถาดแยกขันแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาออกมาเป็นผู้รู้เวทนาเวทนาเป็นอนิจจา เวทนาไม่เที่ยงเวทนาอนิจจ์สัญญาอนิจจ์สั้งคาราอนิจจ์เวทนาสัญญาสั้างขานวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงถูกไฟคือราคะโทสะโมหเะเผาอยู่ตลอดเวลานั้นผู้ฉลาดเขาจะเป็นผู้ไปดูผู้ออกมาดูดูธาตุดูขันดูธรรมชาติมันทํางานธรรมชาติมันตั้งอยู่ธรรมชาติมันดับไป ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่โดยธรรมชาตินี้ที่ถ้าเราไปอยู่มันเวลามันเปลี่ยนแปลงเราเป็นทุกข์ตามมันเวลามันสุขเราสุขตามมันน่ะคําว่าสุขคําว่าทุกข์เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นจริงๆความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธมากเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันพอทนได้เราเรียกว่าความสุขเมื่อมันเย็นลงนี่เราเรียกวันหนาว แต่ถ้ามันปกติเราก็เรียกว่าร้อนมีแต่ความร้อนโลกนี้ไม่มีความหนาวแต่ร้อนน้อยร้อนมากสุขก็เหมือนกันนะมันมีแต่ความทุกขนะ์แต่ทุกข์น้อยทุกข์มากคนเองทีนี้คนผู้ประดับสดับตระับฟังคนผู้ศึกษาเรียนรู้ประธรรมวิริยนี่จะมีความรู้สึกว่าสุขมันไม่เที่ยงทุกข์มันไม่เที่ยงยิ่งถ้าจิตเราเป็นสมาธิดีๆตั้งมันตั้งนานเนี่ย เราจะเห็นสุขเห็นทุกข์ปรากฏเกิดดับเมื่อก่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่ตอนนี้มันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับแต่จิตของพระขีนาพเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับคือมันไม่มีเชื้อแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดไม่มีเชื้อแล้วมันไม่มีไฟแล้วจะเอาอะไรมาดับแต่ผู้ทุชนคนที่ยังหนาด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยบางทีเกิดตลอดเวลาเลย มันประจุไฟเนี่ยเกิดแล้วมันก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลานะเตี้อยู่นีนตลอดแล้วความเชื่อความจมอยู่ในทิตติมรณนะก็จะเป็นแบบนี้มันไม่มีดับยิ่งไม่แต่เราไปสดับเราตรัดฟังเราไปปฏิบัติทางศึกษาเรียนรู้เราถึงจะเห็นโอ้มันมีดับด้วยนะมันมีดับด้วยความดับก็มีไม่ใช่มีแต่ความเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ตลอดเวลา นั่นเราก็จะดับเรื่อยเหมือนเราตีนเหยียบเนี่ยมีไฟเหยียบเหยียบเอารถตัวนั้นบ้างเอาน้ํารถตรงนั้นบ้างน้ํารถตัวนี้บ้างตรงนั้นก็เป็นเปลวตัวนี้กัเป็นฐานเราปฏิบัติทําก็มีความรู้สึกแบบนั้นเราน้ํารถเปลวตัวนี้รถฐานตัวนั้นรถทีละน้อยอะไรเกิดขึ้นมารถมันตรงนั้นก็ยังโกรธอยู่นะยังเกรียดนะยังรักยังชัางยังโง่หงิดติดอารมณ์อยู่นะมันเกิดขึ้นตัวไหนเราเอาน้ํารถตรงนั้นรถไปเรื่อยเรื่อยเรือยเรื่อยจนถ้าว่า มันไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในใจแล้วแล้วความร้อนที่เกิดจากไฟคือราคะโทสะโมหะถูกเผาไปแล้วถูกดับไปแล้วร่างกายนี่มันตายมันโดยธรรมชาติมันอ่ะเนี่ยมันเกิดมาร่างกายสังขารนี่เป็นธรรมชาติอ่ะเนี่ยมันแก่โดยธรรมชาติมันเจ็บโดยธรรมชาติมันตายมันเป็นธรรมชาติมันฉั้นมีแต่ธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเป็นธรรมชาติที่อยู่ธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่เหนือธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้เพียงแต่ว่าทําไมเราจึงจะปล่อยวางซะถ้าเรายึดมันก็มีเกิดมีแก่ดมีเมย็บมีตายถ้าไม่ยึดปุ๊บมันก็เป็นธรรมชาติมันมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ทีฆนักฟัง สุขมันไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเบียวขาเวทนาก็าไม่เที่ยงแต่มันตั้งอยู่ได้มันตั้งมันได้เพราะอะไรเพราะทิฏฐิมานะเราไปประคองมันว่ามันมีมันเป็นไงเรารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเราทุกข์เนี่ยนะทุกข์กับสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมานะเราไปทําหน้าที่อะไรล่ะสมมุติว่าเราไปทําหน้าที่อันนั้นหน้าที่อันนี้เราก็จะทุกข์เพราะอันนั้นแต่ก่อนไม่ได้ทุกข์เพราะความเป็นพระแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ยยึดมั่นหรือมันวันก็ทุกข์เพราะความเป็นพระ แต่ก่อนยังไม่ได้เป็นพ่อตาแม่ยายเดี๋ยวนี้เป็นพ่อตาแม่ยาก็ทุกข์เพราะความเป็นพ่อตาแม่ยายเราทุกข์เพราะสมมติทั้งนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามีโรกเราก็ทุกข์เพราะโรคมีหลานมีผัวมีเมียทุกข์เพราะอนั้นมีทรัพย์สมบัติก็ทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่สมมุติทั้งนั้นไม่ได้ทุกข์กับปรมาภิษฐะเลยความจริงที่มันเป็นอยู่นั้นมันก็เป็นแบบนั้นนั่นไม่มีคําว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายมันไม่มีคำว่าสุขว่าทุกข์มันเป็นธรรมชาติขของเาะ แต่เราไปยึดเอามาเป็นลอยเราก็เลยจมอยู่ในมันเราเคยเมื่อสมมุติเล่นกันว่าอันนั้นสุขอันนี้ทุกข์อันนั้นรวยอันนี้จนวิ่งวนอยู่กับกระแสเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ลอยคออยู่ในกระแสอยู่ในกระแสทุกขนะ์เนียความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าพัฒนาดีๆจะกลายเป็นกระแสพระนิพพานอันเนี้ย ในขณะเดียวกันก็เป็นมีดเป็นอาวุธสําหรับตัดกระแสของกิเลสเมื่อตัดสงแสของกิเลสได้ก็เป็นกระแสของธรรมเหมือนกับกลางคืนมันมืดเราหาเทียนมาจุดซะพอมันมืดดิมันมืดไปหมดเลยนะมันมองไม่เห็นอะไรอนะ่ะมืดหมดห้องเลยอ่ะมันเต็มไปด้วยความมืดเรามองไม่เห็นแล้วเราไม่กล้าเข้ามาเพราะมันมืดไง แต่พอวันดีคืนดีเราจุดไฟเพิบขึ้นมาทันทีเลยสว่างทันดีเลยก็กลายเป็นความสว่างทันทีไม่ใช่ความมืดแล้วเราก็อยากเข้ามาแต่ที่พราะมันว่างมันสงบไงใจเราเป็นแบบนี้มันเป็นความมืดเท่านั้นเองพอเราจุดไฟติดเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาโอ้ความสว่างมันเป็นอย่างนี้เนาะมันไม่มีอะไรในข้างในเนี่ยแต่พอมันมืดมันมีหมดเลยท่านจึะบอกว่าแสวงหาปัญญาซะ ความสว่างในโลกนี้จะมีไฟหมื่นโวลล้านโวลล์ยังไงก็ตามไม่สู้ความสว่างทางใจแสงแห่งปัญญาที่มันาศาส่งเข้ามาทางใจเนี่ยเกิดภาวะความสว่างสวัยขึ้นมาเขาเรียกว่าคนเห็นความว่างสุญญาตาความว่างสุญโยว่างเปล่าจากความไม่แห่งความเป็นตัวต้น เวลาเราโกรธเราเกลียดใครเนี่ยเขาบอกว่างศูนย์ศูนย์ศูนย์ข่อยศูนย์ลระเด้อชั้นศูนย์นะเนี่ยศูนย์แปลว่าว่างบรรพุลุก เ, เ, เ, เขาเตือนเราให้ศูนย์ให้ว่างให้เปล่าถ้ากินข้าวเฉยเฉยนี่ยเขาเรียกว่ากินข้าวกบพระกินกับพระกินเฉยเฉยไม่มีเนื้อไม่มีกลับคําว่าพระนี่คือเฉยนั่นแหละทําจิตให้มันเฉยจิตเราเนี่ยจิตคือพระพระคือจิตนะไม่ใช่รูปร่างหน้าตา แต่เป็นสภาวะทมสภาวะจิตของเราเราเฉยกับมันดิอะไรเกิดขึ้นเราพยายามเฉยกับมันดิเฉยแล้วมันจะทําอะไรเราไหมมันไม่ทําปัญหาสําคัญอยที่ว่าเราเฉยจริงไหมท่านเองเวลาคนเข้าใจสัจธรรมเนี่ยเฉยต่อเวทนาเป็นดูเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาดูเป็นคนนั้นก็จะบรรลุธรรมคนนั้นก็จะถอนธนาะอุปทานออกได้ มันดังเช่นพระสารีบุตรนั่งฟังการสนทนาโต้อตอบกันไปมาระหว่างพระพุทธเจ้ากับลุงเนี่ยท่านพัดให้พระพุทธเจ้าฟังไปฟังไปเกิดบรรลุธรรมเลยเนี่ยพัดพระพุทธเจ้านะพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาวีบรเลาเรียกจะฟังเขาเทศแล้วคนบรรลุธรรมพระสารีบุตร บ, บรบรลุอรหันต์สิบห้าวันตั้งแต่ บ, บวชมามาบรรลุธรรมตอนพัดพระพุทธเจ้านี้ ไม่ได้ตอนนั่งสมาธิไม่ได้ตอนอะไรนะเห็นไหมมันอยู่ที่ปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบอะไรมากมายทีนี้ทีคณะอะคิเวสฟังไปมีความขัดแย้งอยู่ในตัวแต่ตั้งใจฟังไปนี่อีกสักพักก็เกิดบรรลุโสดาบันเนี่ยบรรลุโสดาบันคนถ้าตั้งใจฟังดีๆตั้งใจเลยลึกรู้ดีๆคบคิดด้วยทิฏฐิก็ดีนะ ศรัทธาสูงสู ง, ยงเยอะๆพยายามฟังไปความรู้สึกตัวสติมีมากแต่ปัญญามีในน้อยนี่ก็บัลลุแล้วเข้าถึงธรรมแล้วแต่ถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยสติต้องเยอะสมาธิต้องมากปัญญาต้องมาเป็นอันดับหนึ่งลึกซึง้งมันถึงจะเข้าถึงธรรมเบื้องสูงแต่เบื้องต้นมันเข้าใจง่ายได้ดวงตาเห็นธรรมคนได้ดวงตาเห็นธรรมคือเวลาเราทำความรู้สึกตัวไปเนี่ย ส, สติอยู่กับตัวเองเหมือนเรากดไฟในที่มืดได้แบบนั้นแหละเราจะเข้าใจชีวิตขึ้นมาเลยในความยืนมั่นถือมั่นในขันหน้าในไม่ต้องห่วงหรอกมันคลายก็มันเองเหมือนที่เราสวดไปแหละเอเตสะในรุตจะมะนาในรุตตีเมื่อจะดับย่องดับในที่นั้นเมื่อจะเกิดก็เกิดตรงนั้นนะความทุกข์นี่มันเกิดตรงนั้นเวลาเราปล่อยวางตรงไหนจะกระทบทางตาเลยแล้วก็ปล่อยวางทางตาทางหูเลิกกระทบมันก็ดับไปเองแต่ได้ยิน จมูกต้องกินลิ้นเ ล, นลยนรถไกลแต่ต้องสัมผัสมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเยดยโดยธรรมชาติมันไม่ต้องเอามานึกมาคิดมาพิ จ, จรารณากระทบปุ๊บ ก, ดบนนดบ ก, กด็ดับตอนนั้นเขาทุกบอกไงเกิดตรงไหนดับตรงนั้นเกิดตรงไหนดับตรงนั้นไฟไม่บ้านเมืองไหนเอาน้าเมืองนั่นดับกระทบที่ไหนดับที่นั่นแต่นี้ของเรากระทบแล้วปุ๊บสองวันสามวันนี้ยังไม่ดับเลย นึกขึ้นมายังโกรธยังเกลียดยังชังยังรักยังหลงอยู่เลยมันไม่ได้ดับตรงนั้นน่ะดะงนั้นความจริงของชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเลยเมื่อก่าเราหลงความเป็นโรคในตัวเราเองเป็นโรคไปไข้เจ็บแต่ก็มีคนบอกว่าไม่มีโรคไปไข้เจ็บแต่เราจะรู้ว่าเรามีไม่มีเรายังมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนเราก็รู้ตัวเรามีไม่มีทีนี้คนมาหลอกเรา หรือทำให้เราเข้าใจว่าความไม่มีโรคคือไม่มีโรคทางกายร่างกายนี่ข้าพเจ้าไม่มีโรคอโรคขยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริญข้าพเจ้าคนหนึ่งละเกิดมาไม่มีโรคแสดงว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนประเสริญ ด, ดิข้าพเจ้ากินพอดีนอนพอดีอะไรพอดีพดุทธเ่้าวาความไม่มีโรคมันมีสองแบบทางกายกับทางจิต ท่านไปจำมาจากไหนว่าเป็นโรคทางกายหรือจะเป็นประเสริฐไม่ได้ประเสริฐไม่ใช่เรื่องของประเสริฐเขาบอกประเสริฐมาจากว่าอาริยะทางกายในยคนไหนดูแลรักษาดีกรรมพันธุ์ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ความไม่มีโรคทางจิตโรคราคะโทสะมโมห์งุ่นหิตติดอารมณ์พวกนี้มันมีแต่เฉพาะกับพระอาริยะเจ้ากับพระฐานสาวกเท่านั้นนะ่ะท่านจะได้หลงตัวเองว่าท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อายุมากจนปูนี้แหละสบายไม่มีโรคภัยรข้เจ็บเป็นโนนี้แต่ยิ่งโรคไทยใจอาจจะเป็น เ, อเยอะแยะไปดังนั้นพระพุทธเจ้าว่าอยากให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเรียนรู้ทำรู้สภาวะภายในว่าโรคในใจเราที่มันกัดก้มรุมเราเนี่ยมันมากมายโรคทิฏฐิมานะราฆาตัญหาโรคทา ง, ทงใจกับกายเป็นว่ารักษาได้แล้วหายเลยแต่ทางกายในรักษาแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็เกิดอีก เพราะเหตุนี้มีมันมีร่างกายอยู่มันก็ต้องเกิดอะโรกเนี่ยเพราะร่างกายนี้เป็นดังของโรคเป็นที่อยู่ของมันเนี่ยเชื้อสารพัดทุกโศกโรคสารพัดเกิดอยู่ในกายอันนี้เพราะนี่คือรังของโรครังของกิเลสรังของตัณหาเราไม่รือทิ้งบ้างหรอือพระพรุทธเจ้าท่านบอกว่าช่วงเวลาที่ท่านปฏิบัติธรรมรูแ้แจ้งเนี่ยท่านเกิดพุทธอุทานขึ้นมาเลย อเนกชาที่สร้างสร้างรังสั้างาวิชังอันนี้สร้างการังกเวสันโตถุกคาชาติปนาปุนาคิดบ่อยๆปรุงแต่งบ่อยๆเกิดอารมณ์ราคะโทสะโมยบ่อยเป็นทุกข์ร่าไปเมื่อเรายังไม่ยบพบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติมันไม่เกิดวิปัสสนาญาณมก็ไหลไปตามความคิดไหลตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปเกิดพบนั้นพบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ข้ า, าการังกเวสันโตทุกฆ่าชาติปนับปุนังปุนับปุนังเกิดบ่อยๆในเป็นทุกข์ทำไปนะข้ า, าการกติโทษสิ่ปุนอเคหังนาการสิอะไรในเป็นตอกก่อให้เกิดอะไรทําให้เราแก่ทาให้เราเจ็บเราตายสิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตเราที่ทําให้มันเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยเชื้อของการกําเนิดของการเกิดทุกเนี่ยคืออะไรเราเริ่มเห็นมันละเห็นตันหาเห็นบ่อกเกิดของตันหาละ เห็นบอกเกิดตัณหาคือเห็นพร้อมกับพัที่มันจะขยับจะคิดเนี่ยมันจะคิดแล้วรู้ดับได้มันจะปรุงแต่งแล้วเห็นมันก่อนที่มันจะเกิดเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็รวมเป็นหนึ่งเป็นการเห็นแจ้งเนี่ยเต้นนี่ไหนในช่างปลูกเรือนนี่ไหนเจ้าตัณหาข้าพเจ้ารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะไม่มีโอกาสที่จะมาปรุงแต่งให้จิตเราเกิดอารมณ์ได้ต่อไปเพราะมันแจ้งแล้วมันเห็นชัดแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันดับได้แล้ว โครงเรือนของเจ้าเราลื้อเสียแล้วยอดเดือนแล้วก็หักทิ้งแล้วความคิดความฝันความหวังอดีตอนาคตอะไรไม่มีใ่จิตเอาแล้วเราอยู่กับปัจจุบันแล้วข้าพเจ้าถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรมาปรุงแต่งจิตไม่ได้อีกต่อไปเราได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปของตัณหาตัณหามันเหือดแห้งไปแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วมันถูกเผาแล้วเอาไฟเผาแล้วแต่บางคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายวันนะยังไม่ได้เผามันเลย มันไม่มีไฟอ่ะแล้วมันจะไปอะไรจะไปเหือดไปแห้งมันไม่มีสิ่งที่มันจะเหือดแห้งเพราะเราไม่มีไฟไฟคือสมาธิไงไฟคือสติที่มันต่อเนื่องไงเห็นไหมเวลามันมีไฟติดเมื่อไรใจมันจะโลง่ลงโล่งมันจะไม่บริเวณนั้นหมดเลยอ่ะไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความโกรธความเกลียดไม่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเลยมันเห็นสภาพธรรมเกิดดับเฉยอ่ะ เหมือนไฟมันดับไปแล้วหมดเชื้อแล้วมันก็ไม่เกิดอีกเนี่ยจิตของคนก็เป็นแบบนั้นพ ร, ระปฏิเจ้าเป็นอริยะบุคคลที่ไปพบแล้วอย่างเรามาปฏิบัติทำเราก็มาเรียนรู้นะเนี่ยอันเรียนรู้แล้วทําเนี่ยขณะทํารู้สึกตัวเยอะๆรู้สึกตัวเยอะนี่เขาเรียกว่ามักมักแปลว่ากําลังทํากําลังเดินทางกําลังเรียนรู้มากแปลว่ากําลังเรียน แต่ถ้าเรียนจบเรียกว่าผลเรียนอีกเรียกว่ามรเรียนจบเรียกว่าผลมันจะมีสี่คู่ไงเรียนแล้วจบเรียนแล้วจบเรียนแล้วจบอย่างเรามาปฏิบัติธรรมาเรียนรู้นี่เรียนรู้อารมณ์ตัวเองเรียนรู้กันมีสติเลยลึกรู้มากเข้ามาเข้ามาเขาอยู่ๆก็เกิดรู้ตัวทั่วพร้อมเอาได้ตัวรู้มาแล้วนี่ได้ตัวรู้แล้วความรู้ตัวต่อเนื่องได้สติสัมปชัญญะแล้วรู้ลูบรู้นามขึ้นมาแล้วภาษา ตำราเขาถึงบอกว่ามรคนิพพานมรสีผลสีนิพพานหนึ่งคือเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จเจริญสติแล้วลึกรู้อ้าวตอนนี้คือเรียนแต่พอเรียนเปนสักพักมันเป็นผลคือจบเป็นโสดาบันโสดาปฏิมรโสตะปฏิมรแปลว่าผู้มีจิตตกกระแสจิตของเราไม่ได้อยู่ในกระแสไม่ได้อยู่กระแสของความรู้ตัวมีแต่กระแสของความคิด มีแต่ระแสความยึดมั่นหรือมันยึดติดความหลงจะหล่ําจะรวยจะสวยจะงามจะเป็นนนเป็นอิสาผันตกอยู่ในรูปประพบอารูปประพบแล้ออกจากนั้นไม่ได้ออกจากพบจากกูไม่ได้เหมือนไก่อยู่ในสุ่มนั่นแหละเขาขังเอาไว้เราอยู่ในโลกนี้ก็คืออยู่ในอารมณ์อารมณ์ขังไว้ทั้งที่อารมณ์นี้เป็นมารยาาไม่มีจริงอ่ะแต่เราก็จมอยู่ในนั้น นั้นเวลาร่างกายจะแตกดับเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์มากเวลาเรากินเราก็ถูกล้อมด้วยรสชาติอรูหนาวมาถูกรุ่มล้อมด้วยความสุขขเวทนาจริงๆิงมันเป็นอาการเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปโดยธรรมชาติแต่มันต่อเนื่องกันมากเหมือนไฟนี่เหมือนอิเล็กตรอนโปรตอนไฟอันเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ไฟอันเก่านะเนี่ยไฟอันใหม่ ประจุมันไหลเข้ามาอะไรมาเราจึงได้เสียเงินค่าไฟไงเพราะมันไหลเข้ามาตามหน่วยมันนะมันดูดเข้ามาดูดมันดูดเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อจุดให้ต่ออันนั้นเชื้อมันอันนั้นกระแสมันนะเพอจุดมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องสมมติมันไหลเข้ามาเราก็เสียเงินมันไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็เสียเงินมากเท่านั้นยิ่งเวลาไฟช็อตเนี่ยมันยิ่งดูดฟูดเข้ามาแรงอ่ะก็เสียเงินมากเวลาเขาเชื่อมเหล็กอย่างเงี้ยมันดูดเข้ามาไง จิตเราก็เป็นแบบนั้นแหละไอ้ที่ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันดูดอารมณ์เข้ามาต่อเนื่องกั่เนี่ยไฟมันก็เลยสว่างตลอดเวลาแต่มันจุดต่อกันต่อเนื่องกันมันเลยเป็นแสงออกไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แบบนั้นแล้วทำยังไงอ่ะจึงจะตัดกระแสบแบบนั้นออกไปได้ดงนั้นเราก็อย่าคิดให้มันต่อกันดิอย่าให้มันเกิดดับต่อกันน่ะคิดเรื่องนี้ก็จบไปเลย ไม่ใช่ไปหาเหตุผลมาเชื่อมอีกเชื่อมมีอีกเชื่อมีอีกดึงมาคิดอีกคิดอีกคิดอีกมันก็ต่อเนื่องก็จบไม่เป็นแหละเราก็อยู่ปัจจุบันไม่ได้เพราะมันไม่หยุดคิดมันไหลมาเรื่อยๆแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีสภาวะอริยบทมันปิดบังทุกขังเห็นไหมเราขยับไปขยับมานั่งท่านั้นนั่งท่านี้ไปเราก็เลยไม่เห็นทุกข์ทางกายเขาเรียกว่าเวลาปฏิบัติธรรมเปลี่นไปได้คุณจะเปลี่ยนท่าบ่อยนะถ้าเปลี่ยนบ่อยมันจะไม่ทุกข์แล้วมันจะไม่คอยเห็นมัน นิบบทปิดบังทุกขังสันตติปิดบังอนิจจังขณะสัญญาปิดบังอนัตตาที่ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาเพราะมันถูกปิดบังนั้นอย่าเปลี่ยนมันบ่อยลองดูดิถ้าใครยังไม่เห็นทำเลยเราไปนั่งสร้างจังหวะทั้งมันลองดูดิวันเนี้ระลึกรู้ดูมันเจ็บก็ดูมันปวดก็ดูมันพอใจที่จะดูไงไม่พอใจที่มันให้มันเปลี่ยนให้มันสบายพระสบายแล้วมันจะหลงอารมณ์เราก็ดูมันเอ้าทนไม่ได้ค่อยขยับ อยากดูเหมือนกันว่าเออทุกเนี่ยมันมาอย่างไงทุกทางกายเนี่ยสันตติเพราะมันสืบ ต, ต่อความคิดเนี่ยมันต่อเนื่องต่อเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นต่อเนื่องคือกระแสมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาทําไงอ่ะเราจะตัดกระแสอันนี้ได้เป็นผู้ตัดกระแสทัานบอกตัดกระแสของความคิดความปรุงแต่งตัดกระแสของกิเดสตัณหาเนี่ยเป็นผู้ตัดกระแสสังสารวัตร สางสารโลกก็คืออันนี้แหละเวียนคิดเวียนตรงเวียงแต่งเวียงอยากเวียนอะไรมวลเวลาเราตัดอันนี้ได้จิตมันก็ผ่องใสใจก็ตื่นเบิกว่าโอ้ความว่างก็มีความไม่ต่อเนื่องก็มีกระแสไฟนี่พอเราจับคัดเอาสวิตปุ๊บเอา้ามันไม่มีฮะยกขึ้นแล้วสะพานมันมีพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเจนจงเป็นผู้ชักสะพานเสียเป็นผู้ชักสะพานเสียอย่าเป็นคนทอดสะพานให้มันตาย เต้าก้าวเข้ามาถ้ามันแต่เต้าก้าวเข้ามามันก็เดินมาทำสะพานนี่เราก็ทุกแล้วมันเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเดี่ยวมาความคิดมันคอยไหลเข้ามาเรื่อยๆมันต่อนึงเรื่อยเหมือนกระแสไฟเนี่ยไหลเข้ามาเรื่ก็เสียค่าไฟแล้วไฟมันเยอะอย่าลงตาแบหาปิดไฟตามห้องน้ํามองต่าปิดไฟตามสนามนี่พอสนามนี่ก็สิบสองหลอดนะเปิดทิ้งไว้ให้ผีเดินจงกรม โยมไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะโยมไม่ได้เสียเงินค่าไฟโยมเปิดน้ําทิ้งไว้โยมไม่ได้เสียค่าน้ําโยมก็ไม่ได้เป็นทุกข์ร่างกายสังขารนี่ก็เหมือนกันนะมันเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยถ้าโยมรู้สึกว่าโยมต้องเสียแขนเสียขาต้องเสียเงินเสียทองเสียโยมจะพยายามรักษาสุขภาพตัวเองโยมจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้างเหตุปัจจัยคบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียจข้านการทําการทํางานโยมจะรักษาจิตเขาเรียกว่าสัมมชีวิตาใช้ชีวิตพอประมาณตามสมควรน่ะส ม, มะแปลว่าสมเหมาะสมใช้ชีวิตชีวิตแบบเหมาะสมความทุกข์จะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดน่ะเกิดก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเป็นอนิจจงโดยธรรมชาติมันนะจิตเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในกระแสไหนเลย มันก็สบายดีเรารู้แล้วว่ามันทุกข์เพราะอันนั้นเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับมันทางร่ า, างกายนี่เจตใจก็เป็นแบบนั้นแหละโอ้ไฟนี่มันเข้ามาทางนี้เนาะมันเสียนะเนี่ยะเราเสียเงินเสียทองเขาของเอาก็ตัดซ่าไม่จําเป็นร่างกายก็เหมือนกันนะเอา้าอันนี้มันจะทุกข์นะนี่นานๆไปกูจะได้เสียเงินรักษาโรคปอดโรคตับปุกกูได้นี่เยไปลงมาลงมาเลง็ลงขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งได้นี่คนรู้จักเขาก็ถอย เหมือนกันนะ่ะไปยุ่งกับเรื่องนี้กูไม่สัมรวมนะถ้าไม่สัมรวมก้างโง่จมูกลิกล้นกายใจเนี่ยอีกหน่อยแล้วก็จะปรุงแต่งนะ่ะเดี๋ยวมันจะคิดแล้เวเกิดความรักความยังก็ว่าเอา้าสัมรวมไปดีกวา่าไม่ดูไม่เห็นเสียเลยเป็นการดีถ้าสิ่งที่จะดูไจะเห็นมีอยู่ก็เพึงตั้งสติให้ตั้งมั่นทุกอย่างเขาเรียกคนใช้ชีวิตเป็นเนี่ย รู้เหตุเกิดปัญหาของชีวิตมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากร่ารวยสวยงามไม่เกิดจากนั่นเหล่านี้แต่เกิดจากการไปติดยึดมันนั้นนะกีเดตเราเนี่ยมันไปยึดติดอันนั้นจิตเราเนี่ยแล้วเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันโอ้ชักสะพานเสียไม่ทอดสะพานให้มันนะเราไม่ได้ทอดสะพานให้กิเลสเนี่ยไม่ได้วางเงื่อนไขยเยอใหญ่อะไรไปมันก็ไม่ไต่เข้ามาเนี่ย สับสวัดเอาสักไฟก็ไม่วิ่งมาถ้าจําเป็นจะใช่หรือสับลงไปใช้ไฟจบปดเนี้ยฮะเดี๋ยวนี้ทอดสะพานไว้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ไหลเข้ามาดิในความคิดเราเองเนี่ยความคิดความอยากอันนั้นก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นโอ้ยจําเป็นไปห่ดจําเป็นอยู่ทั้งเป็นนิสัยมันเที่ยวไปทเที่ยวมาเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนไม่กินเหล้าก็ไม่เป็นไรแต่พอกินแล้วโอ้ยมันจําเป็นได้ถ้าไม่ได้กินแล้ ว, อลวโ อ, มมวโอ้มันเหาวได้โอ้ยมันง่วงได้ ว่ามันเจ็บท้องเด้ไม่มันเปรี้ยวปากเด้มันจําเป็นเหตุไหมเหตุเนี่ยนี่มันมาที่หลังอันนี้มันมาที่หลังทํายังไงอ่ะเราจึงจะรู้เหตุของมันเรวเลิกที่เหตุ น, นะความอยากจะไม่เปความอยากตัดความอยากมันดินะเดี๋ยวโอ้ยจําเป็นมากเดี๋ยวนี้ฉีดโมฟีนนะเวลามันจุกมาเนี่ยเนี่ยปลายเหตุมาแล้วชีวิตถูกวางเงื่อนไขเหรอ เป็นทฤษฎีชีวิตอยู่มีด้วยเงื่อนไขเหรอไม่น่าจะเป็นนะพระพุทธเจ้าว่าที่ซึ่งสิ้นเหตุปัจจัยมันมีอยูท่ที่ที่ปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเราได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งเหตุปัจจัยของตัณหาความคิดความอยากความทุกข์ที่มันไม่มีแล้วเพราะมันสิ้นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดไฟเกิดนั่นก็คือตัดนั่นแหละตัดลงบนเลย ตัดผัวตัดเมียตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องที่สําคัญก็คือที่เราจะตัดพวกนั้นเราไม่ได้ไปตัดเขานะเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยจริงๆก็คือเราตัดอารมณ์เราสลายตัวตนของตัวเองมันคิดเราไม่คิดมันปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมันอยากเราไม่อยากแต่มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมเฉยเอาไปมาไอ้ความตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องตัดลูกตัดหลานตัดความรวยความจนตัดอัตราตัวตนนี่คือตัดที่เรานี้ แล้วก็จําได้หมดรู้หมดใครเป็นอะไรยังไงเรารับได้เข้าใจนะเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจิตมันไม่ผูกพันแล้วมันไม่ผูกผูกก็ไม่ผูกพันก็ไม่พันเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันไม่มีบ่วงคล้องใจเราแล้ ว, ลวมันสบายชีวิตเนี่ยเราดูคนอื่นเหมือนกับดูตัวเองดูตัวเองก็เหมือนกับดูคนอื่นดูตัวเองตาย เหมือนดูคนอื่นตายเรานั่งดูคนนี้นตายโอ้คนนี้นตายเนาะดูมันตายที่นี่ไม่ได้เสีย ใ, ใจเลยเลวลาเราดูตัวเองตายก็ดูแบบนั้นแหละดูอ๋อมันเป็นหนีเน้ะ น, นี่เราดูทุกวันเลยก่อนนอนเรานั่งดูวันนี้จะหลับแล้วนะเนาสมมติว่าตายแลย้วดูมันดิดูมันตายตายวับลงไปเอา้ามันเป็นหนีในวะันพักผ่อนเนี่ยมันก็ยังหายใจอยูน่นะเนี่ยสังขารเนี่ย แต่ว่ามันนิ่งไปเลยอ่ะเหลือแต่ลมหายใจดูดูโ อ, โอ้คนตายในี่นะ่าสมเพชจังนาะตายเป็นแบบนี้เนาะงนั้นคนปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเขาจึงไม่กลัวตายไม่กลัวตายเพราะเขาตายจำลองอยู่อย่างอยู่ตลอดเวลานะเพี่ยนแต่ว่ามันไม่ขาดปุ๊บออกไปเฉยๆเวลามันตื่นโอ้มันตื่นมานี้โอ้ตื่นมาก็มาทุกข์แล้วนาะวันนี้ตอนนอนเขาก็เห็นตัวเองอยู่แต่ว่า ไม่ได้ถึงกับว่าตายหรือไม่ได้ถึงก็มีความสุขมีความอะไรนอนด้วยความทุกข์ตื่นมาก็ได้ทุกข์มันมีแต่ทุกข์นะตื่นมาก็ทุกข์นอนลงก็ทุกข์มีแต่ทุกข์มันจึงไม่หลงตัวเองไงแต่คนนี้วิ่งหาความสุขจากการกินการดื่มการไปการมากาานันสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆหูจมูกนิ้นเขาเรียกว่าความสุขแต่จริงความหลงมันเต้นตามจังหวะของไฟเผาตัวเองเฉยๆเขาเรียกว่วาไฟลนก้น บวเหตุก็ไ่ได้ไม่ทําก็ไม่ได้มันจําเป็นเนี่ยมันจําเป็นไปมุดแล้วถ้ามันไม่รู้แจ้งเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่จําเป็นเน่ยอยากเป็นนั้นอยากได้ไอันนี้ดังนั้นเวลาเรามาดูเราจะเห็นว่าโอ้มันมาทางนี้นี่เนาะเนี่ยคนไหนชักสะพานเป็นให้กิเลสมันดับออกไปตรงได้นเขาเรียกว่าคนเห็นสมุทัย ทุกสมุไทยนิโรธมักนะเนี่ยสมุไทยเหตุเกิดทุกมาทั้งนี้เราก็ชักสะพานเสียชักสะพานก็คือเกิดการรู้แจ้งสเผาเหมือนสะสะพานนั่นั่นที่มันเคยมาเนี่ยเผาด้วยไฟวิปัสนาญาณมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาโอ้เราได้สงเราเห็นแล้วทุกมันเกิดเนี่ยสมัยก่อนเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นทองเที่ยวไปในวัฏสงสารเป็นเใ น, ใ น, ในกชาติ ไม่ใช่ตายแล้วเกิดพบนั้นพบนี้นะปัจจุบันนี่แหละแต่ตายตัวนี้ก็คือตายทางจิตตายตัวนี้ก็ไปเกิดอันนั้นหยุดคิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เอาอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งปีทั้งชาติ mm hmm. เขาเรียกว่าสังสารวัฏวัฏตะแปลว่าวนวนไปวนมาเรื่องเดิมเคิดอยู่โ mm hmm. บราณพูนว่าซ้ำไก่ตอดตอดนนะไก่ตอดตอด ตดเนี่ยมันไม่มีจริงนะแต่ไก่มันเอ๊ยมันมีกลิ่นอยู่แถวนี้นะกูก็สับไปสับมาสับเหมือนมันจะโถกเนะ่ะแต่มันไม่มีคนเราก็เหมือนกันอนะ่ะไปหาขาบลาบยศสารเสริญขาบความรวยความจนเอาจริงเอาจังชื่อเสียงมันไม่มีซ้าไกล้ตอดตดจังวะเพิ่นประมวลสินี่แต่เราดูดูข้างนอกมันเป็นเรื่องขาขันเดี๋ยวก็มาพูดงานชีวิต ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เนาะเป็นคุณไม่เข้าใจมันไงคุณไม่เห็นแจ้งมันไงชีวิตคุณก็เลยเป็นแบบนั้นแหละที่จริงมันเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นแบบนั้นมันถึงเป็นแบบนั้นถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นมันก็ไม่เป็นแบบนั้นแหละเพราะมันมีอวิชชาไงเพราะคุณโง่แบบนั้นไงคุณไม่ปฏิบัติทำพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกบ้านทุกเมืองเต๋่ไปหมดพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ามาทั้งนี้เด้อมีพระปางนี้ก็มีนะ ปางนี้ก็มีเศร้าซะเศร้าซะก็มีนะปางห้ามเศร้าซะเด้อโยมเด้อก็มีเราก็ไม่ฟังบางปา ง, ปางท่านก็นั่งเอามือลงในนี้มาอยู่วีอยู่วีอยู่นี้อยู่ซื่ออยู่ผีมันเราก็ได้แต่ไหว้แล้วก็เอ๋อมันอะไรมันจะเข้าไปมันไม่เข้าไปหรอกไปวดน้นํามดนำผ้าจัง น, น้อยว่าจะเป็นพิธีมันี้ แล้กวก็พระพุทธเจ้าบอกเ อ, อนี่ขันห้าไหนต้องอยู่กับปัจจุบันซะเนี่ยนั่นอยู่ซื่อๆ อ, อยู่ซื่อๆถ้าอยู่ซื่อๆ อ, อยู่เฉยๆกับทุกข์แล้วทุกข์มันจะคาบเราเลยเราเฉยกับทุกข์นะเห็นไหมคนตายทาเหมือนคนตายใครจะมากอดเราเนอะคนตายเราตายแล้วมีอยู่ติ่มมะหอมแก้มของซบไหมบ่มีสมัยบ่ท่านตายก็หอมแล้วเพราะมันตายแล้วแต่อ้ย อุเบกไก่ว่ะขีดเดียดใช่ไหมเหมือนเรานะเสือนคนตายที่เราไม่ยิ น, ย, นยินร้ายการูปรถกินเสียงมันมีรูปรถกินเสียงก็มีแหละแต่เราไม่สนมันนะ่ะแล้วมันจะมากัดเราหรือมันไม่กัดเตะเดี๋ยวนี้เราไปยุ่งกับมันนะพอไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราอ่ะคือเราไปชอบมันน่ะชอบรูปรูปมันไม่ได้ทําอะไรกับเราแต่เราไปยินโอ้ยรูปนี้ทําไมไม่สวยรูปนี้ทําไมไม่งาม รูปเท่านี้ทำเปื่อยนี่ทำเนาทำไมมันเป็นโรคมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้ของมันนะแลหลีกไม่ได้เกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายคือนี่คือธรรมชาติแต่เรากาลังวิ่งวนหนังเงินเทาพื่อนเพื่ อ, อ ไ, ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้อยากแก่อยากเจ็บอยากตายเขาไม่ได้มีความอยากหรือความไม่อยาก แต่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เห็นในสภาพธรรมที่เกิดดับอะไรเนี่ยเห็นมันตื่นเบิกบานแก่ก็เบิกบานเจ็บก็เบิกบานเกิดก็เบิกบานตายก็เหมือนเป็นโดยธรรมชาติโอ้โหมันไปห น, นี้ของมันเนาะเราเห็นมันน่ะเพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่มันจะปรุงแต่งเนี่ยเราชักสะพานแล้วปดสวิตช์มาแล้วมันไม่มาแล้วมันอยู่แบบนั้นของมัน มันเป็นแบบนั้นเขาบอกว่ามารกับพระเนี่จริงๆอันเดียวกันมืดกับสว่างอันเดียวกันเพียงแต่สว่างคือไฟมันเข้ามาในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นพุทธกับเป็นมารอยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้ไม่มีความต่างระหว่างปุตตุชนกับอริยะมันไม่ได้ต่าง เหมือนกันเพียงแต่ว่าสภาวะภายในหยุดความเป็นปุถุชนซะเมื่อไหร่ที่เราหยุดเล่าเฉยแล้วก็เป็นพระเมื่อไหร่ที่เราปรุงแต่งเราก็เป็นปุถุชนผู้ถุแปลว่าหนาผู้ถุแปลว่าหนาหนาหนานาน า, นาเห็นไหมความง่วงเนี่มาสามสี่วันแล้วเนี่ยเอาออกยังไม่ออกเลยหนาแต่แท้กูนี่มันขึ้นหนาแท้กิเด็ดพอกีเด็แม่นี่นไหม ล่างนาละะแล้วก็แล้วพอตกัดเขียวยุ่มกล้นใสละก็แล้วพระท่านออกอยู่นี่นั่งฟั่งพันเทศก็ะจีตายเขาเคยพูดออกพวดว่าหนาเนานะนี่น่ะมันหนาเพราเราไปสะสมมันมาอห น, นึ่งเขาเรียกว่าวิบากกรรมคันยูเงือนนะครับไปนี่เห็นอีลาปักค่า ม, มันนอนไรโอ้ยลาเอ้ยมันสีสะสมคือพอนี่เด้กกิเลสที่แดกเอาเลยมันจะออกอย่างตือนซะทอลาเอ้ยหนี่งบอก บางคนโกรธโกรธจนทั้งมันสะสมมากเข้ามาเขาเห็นอะไรก็เอาออกไมได้เห็นไหมมันสร้างจังหวะความโกรธก็เกิดขึ้นเอาออกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังอันหนึ่งย่างเรื่องหนึ่งสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องเขมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องเพราะอะไรเพราะมันเป็นค้นหาเรื่องเด้หาเรื่องมึงจะหาเรื่องเด้ออย่าหาเรื่องจริงๆมันหาเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่รู้วมันหาตอนไหนจะมันหาเก็บเข้ามาหาเรื่องคนนั้นคนนี้มันใส่ใจจนทั่งว่าเอาออกยาก ยิ่งบางคนไม่เคยเอาออกเลยมึงว่ากูเซนติพนะเปตะยานคืออย่างไรกลัวนะคนขาดสติเนี่กลัวกลัวคนขาดสตินั่นเสวนาจะพาลานังอย่าไปคบคนพาลเดอ้อคนพาลอย่าคบคนพาลปัณฑิตานั้นจะเสวนาไปหาคบบัณฑิตไปเสวนาไปเสียกุลกับบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้อารมณ์ตัวเองนะปริญญาเป็นว่าผู้รอบรู้รู้อารมณ์ไยปริญญาตรี รู่สามเถื่อและดับได้ปริญญาโทรู่สองเถื่อกำลดูรู่ซึกตัวสองเถื่อลุตพวกปริญญาเอกเือเดียวตอนนั้นนะหายังแงบของมากิเลสลุตกระเด็นกระดอนไปโอ้ปริญญาเอกได้ปนีหน่อยเอกคือเถื่อหนึ่งนะแต่คู่มือนี่ปริญญาเศร้าของบลุดมันบอกออกแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะลงตามไม่เอาพวกเธอจะเอาก็เอาละ เรามาเป็นผู้รู้ซะเนี่ยเป็นผู้ตื่นซะเป็นผู้มีปริญญาให้กับตัวเองชีวิตหนึ่งหนึ่งเกิดมาพะพุทธเจาว่าเกิดมามีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวถ้ารู้แจ้งเนี่ประเสริฐกว่าผู้มีอายุเป็นร้อยปีชั่วกับชั่วกันมาปฏิบัติธรรมาบังเป็นบารมีบารมีเพื่ออะไรเพื่อเอาความหนานี่ออกไปจากใจเอาออกซะมันหนาขนาดไหนก็อเอาออก เอาออกทีละน้อยละน้อยว่ามันจะ อ, ออกได้ว่มันหลายภพหลายชาติมันไม่มีภพมีชาติหรอกมันสมบุติ์แล้วมันติดเฉยๆเวลามันรูจ้จำคําสอนพระพุทธเจ้าเลยสอนอันไรก็ตามนะสอนเพื่อดับทุกข์สอนเพื่อให้ได้นิพพานแต่นั่นเองเฮ็ดบุญนี่เพื่อดับทุกข์แต่บางคนบอกโอ้ยขอให้เกิดสนาลําด้วยเอาเกิดศาสนาเกิดมายังเกิดมากมันจะมาไขามาป่วยได้หนิเป็นโลกได้นี่ มันจะมาเป็นโรคอีกแล้วจะมาเกิดทำไมโรคทุกวันนี้ยิ่งเป็นเอามากนะมากต่อไปยุ่งเนี่ยจะเป็นพาหนะนำโรคอย่างยิ่งใหญ่เลยสิ่งที่ไม่ควรกลัวไม่เคยกลัวนี่เรากลัวเดี๋ยวนี้ชาวไร่ชาวนากลัวอะไรกลัวเสือเหรอไม่กลัวช้างเหรอบอกลัวคุณเข็มอักษรนะหอยเชอรี่ไอตัวขยับไปทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อย แต่ก่อนเรามาก้อยกินเนี่ยเดี๋ยวนี้อันตรายมากโอ้ยขึ้นยาออากระสอบไปใส่ผูกไว้มันไม่หมดนะสิ่งที่ขยับน้อยๆเนียน่ยเนาะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวของมนุษย์เดี๋ยวนี้อันใหญ่หญๆตัวๆเราไม่กลัวเมงวันแบบเนี้ยเท่าพี่เรื่องที่น่ากลัวแต่ก่อนหนูก็ไม่เคยกลัวเดี๋ยวนี้เป็นโรคฉี่หนูเห็นไหมเมื่อวานในสั่งแมทท่ชีทําสะอาดครัวนะมันเป็น่ยอมรักษามันนึกว่าของเล็กน้อยละมั่งหนูเนี่ย นะต่อไปก็เอาทำกับข้าวลงไปเอากับข้าวมาเลี้ยงญาติโยมมาจากกรุงเทพกินปฏิบัติปา้าค็เราเป็นโรคฉีหนูทั้งวัดแย่เลยทีเนี้ยอันก็ไปแก้ไขที่เหตุมันซานะแก้ไขที่เหตุมันซาไปหาดูพวกเข้าสารเป็นมอดมามา่หมดอายุพวกนั้นเอามาต้มให้โยมเขานะอันดีๆเราก็เก็บไวนะ้อันนี้มันหมดอายุมันก็ไม่ไปดูแล เอาแต่อันใหม่ๆมาต้มอย่านี้มันก็แย่แหละเราก็ขาดทุนแหละเราจัดอบรมเนี่ยนั่นต้องเอาของเก่ามาเอ้าจริงๆมันยากนะพยายามจัดเงื่อนไขให้ดีมากๆนะเ น, นี่ผักกินนี่ก็ปลอดสารพิษนะเนี่ยปลูกเองนี่เห็นไหมพาไปดูหลักฐานเลยเห็นไหม ข้าวก็เป็นข้าวกล้องข้าววิตามินสั่งมาอย่างดีเลยเนี่ยมาให้โยมกินเพราะว่าไม่ให้มีเหตุปัจจัยมายุ่งกับจิตเราเลยเหลือแต่ปฏิบัติธรรมมันที่บอกอ๋อกินข้าไมา่ได้ขีแต่กี่แดนบะมีดอกพิจารส่างเจ้าเท่านั้นนะเหลือแต่เหงานอนเท่านั้นแกเอาท่อ น, นั้นเรื่องอาหารการกินความร้อนความสะอาดสะอาดเนี่ยสุดยอดอยู่ในนี้เขาเหตุคักบะมีปัญหาเรื่องแบบนี้เหลือแต่ว่าให้ลูกแจ้งเ ส, สือ ซุ่มเจ้ามาคือบอเอาใจเห็ีดเนี่ยใดอีกไงมั้ยยังแต่น์จีเอาไม่หนีเผาคอกคนละเนี่ยมาในบ้านมาตอนนี้เอาเสื้อจูงมากดึงมากเกยมากทันจะจิไปได้แค่ทําความรู้สึกตัวนี้เฉยๆเซาะมันออกตัวซัว อ, ออกเขาเอื่นว่าศีนศีนศีนแม่ศีนเห็นรัฐบาลเข้าไปรักษาศีนไปรักษาศีนอยู่ตามหมู่บ้านทาไปพอไปนอนเฝ้าศีนมั้นนะรักษาศีนนะ นอนเฝ้ามารักษาเอาไ ป, ไปเฝามั น, นยังเราไม่เข้าใจไงไปรักษาศีนูโบสถนําวัดน้ำว่าอุโบสถแปลว่ายาอุโสถอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มันโอสถโอสถะแปลว่ายามันแปลว่าล่งไปยาใจไปรักษาศี น, นไปยาใจแต่เขาเบิงตามวัดบ้านบัดนันวัดนีน้ก็ยังไปถ้าสงสารเขาเขาบ่าหลู่เรื่องแต่เขามีศรัทธานะที่จะไปรักษาศีนเนี่ย แต่พ่อคนสอนนี่มันไม่มีงไงเพราะเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนวันนี้ถ้าครูปร า, ปาชญครูบาอาจารย์โง่ระดับนี้นี่ต่อไปอนาคตลูกศิษย์จะโง่ลงไปอีกแล้วถ้าสมว่าลูกศิษย์ได้เป็นพระอุปราชในอนาคตลูกศิษย์ของอุปราชคนนี้ก็จะงโง่ลงไปอีกนะทั้นศาสนาพุทธมันเป็นทอดเป็นทอดมาถ้าเราไม่สืบทอดเราไม่เอารู้จริงจริงๆเนี่ยลูกหลานเราไม่รู้เรื่องพระสงฆ์ข้เจ้าเดี๋ยวนี้เริ่มล้างแล้ววัดวาอาวาสไม่มีอ มันไม่มีไม่มีพระไม่มีเจ้าไม่มีคนไปวัดไปว่าเพราะอะไรมันไม่มีประโยชน์นะเขาไปเราไม่ได้ประโยชน์เราไม่เข้าใจนะสศจษฐธรรมไม่เคยคำว่าศีนศีนศีนศีนศีนรักษาศีนศีนศีนศีนเนี่ยศีนศีละแปลว่าปกติศีละแปลว่าเยอะเวเย็นว่าหนักแน่นศีนล่วงไปรักษาศีนว่ะศีนแปลว่าศีนศีนศีนหัวใจบ่เนาบ่เห็นตีพุทธภูเก็ตพุ่นเท่าคนแก่เขาศีน่ะศีนฟื้นนั่นสิ ศีนไม่ศีนตอกศีนนั่นศีนแปลว่ามาจากภาษาไทยเราเฉือนเฉือนเฉือนชอชิงนี่นะเฉือนเสือนมันกเสือนเอื่นว่าศีนศีนฟื้นศีนไม่ศีนตอกศีนหัวศีนนั่นนี่ศีนแต่เราศีนแปลว่าเป็นลักษาศีนเป็นางก็ค่อยๆมาวัดกะติงกับใบย่านเหยียบหมดไปบินทบัดกันยางเพื่อซีฮอดกับใบม่วงหรือไมย่าน อันนั้นยากนะนี่ศีนใจเจ้าของพี่นะมันง่วงมากศีนมันออกมันเบื่อศีนมันออกมันขี้ข้านศีนมันออกนั่นอยากมีศีนให้ขาพ่อตีแม่โบราณว่าข่าพ่อตีแม่แม่ขี้ข้านเด้มแม่แม่นี่หมายว่าที่เกิดที่เกิดของกิเลสตัณหามาจากไหนความเบื่อความนายความขี้ข้านความไม่แยบคายศีนมันออกออ ก, ออกมันมันมันละมังกระสบายอย่างตัวเนาะแต่คูมือนี้เขาบอเข่าใจ ไปรับน้ําพระเอารับศีลเด้อรับศีลน้ำพระรับมางกิ่งงานแล้วลงไปวัดแต่ทีรับศีลรับศีลรับศีลมาอยู่ในนี่ไม่รับศีลให้รับเอาเองศีลเป็ความตั้งใจแหละศีลเอาเองเป็นเป็นสมาถานอันนี้จะยากขึ้นกว่าเดิมคือตั้งใจทําเอาเองเลยไม่ต้องเอาจากพระไปรับศีลจากพระพระก็ให้ศีลให้ศีลจนว่าพระหมดศีลกรจนได้ศีกบุตรศีลมันหมดโยมไปเอาหมด ดูดิมันไม่มีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นในความหมายของพุทธะเนี่ยศินห่าสินแปลสินสิบสิน 10, สองร้อยสามรอยดับทุกไม่ได้เห็นไหมคนรักษาศีลเนี่ยสองรอยิบเจ็ดข้อความโลภดับไหมความโกรธดับไหมความหลงหายไปไหมมันไม่หายเพราะมันเป็นศินสังคมสินสมมติไม่ใช่ศินปรมัสตร์สินปรมาตร์ก็คือสภาวะถ้าเราปฏิบัติทมนี่สติสมาธิปัญญาเนี่ย มีความปกติมากขึ้นมากขึ้นมากสีละแปลว่าปกตินะ่ะรู้สึกตัวมากขึ้นความคิดเกิดขึ้นมันก็ดับไปดับไปนี่ศีลปรมัตุตัวสภาวะประมาตุคือการดับทุกข์ดับกิเลสดับตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่เรืองของนอกนั้นศาสนาคําสอนพระเจ้านี่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของคนพาณเอามาสอนหลบปลีกคําสอนที่แท้จริงเราก็ได้หลงประเด็นว่าอะไรเป็นไร แล้วก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาแต่ฝรั่งเขาศึกษาเนี่ยเขาทําแบบวิจัยเขาเอาจริงเขาจังนั่นศาสนาพุทธฝรั่งนับถือเนี่ยเขานับถือแก่นมันของคนไทยเราเนี่ยนับถือเปลือกมันไม่ใช่ไม่ผิดนะไม่ใช่ถูกนะแต่ว่ามันไม่ผิดมันไม่ถูกแต่มันเป็นเปลือกมันเนี่ยนะเอาเรากินมะม่วงเนี่ยกินมะขามมั้งจะกินเปลือกมันเหรอเราจะกินเนื้อมันเนาะกินเปลือกมันเขาก็หัวเราะเยาะกันแล้ว วคือขาหวานว่ายำดังโกบขาบกบขับเดี๋ยวนี้เรานับถึงพุทาสนากินเปลือกมะขามนะเดี๋ยวนี้แล้วไม่ได้กินแก่นมันไม่ได้กินเนื้อมันเพราะเบ่อิ่มเสร็จแล้วผู้นึงเขากินกินเหมือนกันมะขามเหมือนกันแต่เพามันแรงอร่อยกข้างในบางคนผู๋เนี่ยยำเม็ดมันผู๋ทั้ไในผกให้จะเม็นกินยากเนาะพี่ไว้มันยากมันไม่ยากเพราะเราไม่เข้าใจไงันท่าปฏิบัติท่านบอโอ้ยเท่าแล้วล่ะผมก็ได้เฮ็ดก็ได้แล้ว ให้ผู้อื่นบรรลุซะไปตามกรรมตามเวท ล, ล้ายุคกิเลสด็อกไปยอ่อแพรเห็นยังเราจะเดินทางไปสู่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจะเดินทางไปเนี่ยทีนี้เดินไปนมีอาวุธหรือยังเนี่ยจะเดินข้ามฟากเนี่ยนี่เรือนะเนี่ยกายนี่เป็นเรือจิตคือคนนั่งจะนั่งข้ามฟากไปเนี่ยมันทะลุมันซอดบัล่าวเรียบเอาอยาจักหน่อยเอาขี่ซี่ขี่สั้นมะยามาปุ๊บ แล้วคนนั่งกันนั่งพอประคองไปร่างกายสังขันพอย้ายเรือลํานี้ยังไม่ผูเท่าไหร่รีบเดินซะรีบเดินทางรีบจำอ้าวเข้าไปเนี่ยจงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีจะพบพระนิพพานอันเป็นที่สังัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากนี่ไที่เราสวดไปมาทางนี้ข้ามฝั่งไปให้ได้อันนี้เราเกิดมานี่เรือลํานี้เราได้เรือสวยๆเรือ ง, งามๆตรงนั้นนี่มาอยู่ในเนี่ย เลือดีนะแข้งขาดีตีนมือดีแต่เราก็ไม่ใส่ใจนะคนยังเอาไปเต้นโชว์ไปทำโน่นทำนี่อยู่เสียดายเสียดายร่างกายสัขารเขาน่าจะเดินข้ามฝั่งไปให้ได้ซะเขาขับไม่เดินเขาไม่อยากฝึกไม่อยากฝนเอาไปมาตอนมันผู่พังแล้วเลือห้างาาเปล่าแมาเรือหกสิบเจ็ดสิบเลือเป็นโลกแลบจังมากย่างไปจนไอเจ้าเม็ยเจียว ลงพอนั่งรับตาเอาไวได้ทีมันเจ็บไปเบิตด้เนี่ยมันเอาเอาเลือดหน่างมาแลนเนาะเจ้านี่ก็ได้เอารดห่างนะฮะห่างมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างมันจะวิ่งไนเลี้ยงมันผุพังแล้ไงรถจากรก็เลยว่าโอ้ย ร, 7, 7, 7, รถหกสิบเจ็สิบจะไปยุ่เงินป้องจะเอามาต่อไมมันห่างแล้วใชมไหยางยังไงยางไปเจ้านายเงา น, นอนแนวมันนั่งฟังเทีเจ้านายรับ อยูพอ่อปนันขันน่ะนรือนด่าขึ้นมันยกปอแบแยบโตพอมากมีคือเกา่าต่างใจเย็ดมันขึ้นเอยียงไข่ล้านเลยแม่มันว่ามีอะไรก็มึดน้องคือเกา่าโอ้ยมันก็ยากแล้วนะสมัยพุทธกาลเพิ่นจะเอาคนหนุ่มคนสาวนะ่ะปฏิบัติธรรม นันโลคตายจังวะเห็นอีนั่งนี่มันตั้งใจสุขภาพมันดีโอ้อีนั่งนี่ต่อไปหน้างคนมันดีทุกได้หนิอีน า, งนงาน่งนี่ง่ามเนี่บางนั่นรอแนี่บางนี่เฮ็ดเวยียงั้นโอ้ยสี่รอสี่ขี่ไล่ไปไหนก็สร้างปฏิบัติธรรมเสีอลาเอ้ยในอนาคตเจ้าต้องไปเจออารมณ์หลากหลายได้นี่ชีวิตเจ้าเนี่ยยิ่งเจ้ามีเงินมีทองหลายนี่ปัญหาสิเกิดขึ้นกับชีวิตเจ้าหลายวะาอคือต้นไม่เงี้ยเนี่ยแม่มันเป็นมากเลยคนสิ่ปีนขืนกินหลายคือกันน่ะเขามีลูก รสกินเสียงดีความทุกข์ก็ยิ่งจะเกิดขึ้นมากถ้าฝึกปฏิบัติทำปล่อยวางแล้วเนี่ยมันสบายได้บ้างนี่มันไปง่ายแต่คนไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะนั้นว่ากเกษียนแล้วที่เขาวัดแล้วม้าจะแต ก, กยมมอย่างเกษียนแล้วสิมาม้าหยางม้เป็นพระละติม้าเข้าเดียวพระเอาอีแล้วเนี่ยว่าจะลืมเอาวันนั้นไหมได้เด้อ ย, ยมเด้ออันนี้ไม่ได้ เขาพอไปไหว้วัตเขาก็เอานั่นมาให้เอานี่ไม่ตุวนี้ไปบวชมีแต่โทรศัพท์มีแต่โทรทัศท์มีแต่อะไรสารพัดนะ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเห็นทำเนี่ยมันถูกลุมล้อมไปหมดแล้วฉั้นเราต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้มันตั้งสติดีๆเริ่มต้นส้าวันนี้บางคนหัวหาโอ้ยสันดิสันโกซีบเวาคือสิมาบได้เลยเนาะ มาไม่ได้ก็ช่างไปไม่ได้ก็ช่างแต่ชีวิตเนี่ยมันเดินทางอยู่เรื่อย ๆ, ๆมันถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันของคุณไม่ได้ไม่เป็นเนี่ยคุณออกจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยความโลภความโกรธความหลงจะกัดเราตลอดเวลาโรคภัยแค่เจ็บจะลุมแล้วเราแล้วเราจะอึดอัดเราจะทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝืนข้ามฝั่งไปไม่ได้เนี่ยมันจะแย่ข้ามฝั่งก็คือรู้แจ้งโคตรภูยานเป็นผู้ข้ามฝั่งแล้วข้ามฝากแล้วหมาไล่กัดเฮ้อ หมาเนี่ยมันวิ่งไล่กัดก็คืออุปทานขันเนี่ยตามไล่กัดแล้วกัดไม่ได้แล้วโดดข้ามปิ้งไปอยู่ฝั่งโน้นแล้ ว, ลวเลยตะมองดูไปเลยเดอ้อเป็นผู้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะไปบวกลับแล้วบวได้มาแล้วบางคนปฏิบัติจะน้อยซิกแล้วอันนี้ไปกลับบวตไปไปกลับปฏิบัติดีโง่คือเกาเนะ่ยเป็นท่สงสารชีวิตเนี่ยที่จริง เดินทางมาระดับหนึ่งรีบกระโดดข้ามไปซะหมาคือทุกไงยมันกัดเรามันกัดไม่ได้เราไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วได้เจ้าเห่ามันเห่าเราเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวอะไรผู้นั่นซั่งผู้นี่จมผู้นั่นเสียดสีนิ่งถ้าคนนึ้นโอหมาเห่าสร้างเขาเอิ่นหมาเห่าช้างหมาเห่าเครื่องบินเนี่ยก็ะเพาะนั้นแหละบ่มีอยังเกิดขึ้น แต่ขนันอยู่ทั้งนี้เจ็บนั่นเจ็บนี่เว้ยพวกนั่นก็ว่าให้พวนี่กส็สร้างมือนี่ก็เจ็บแย่งเจ็บขายเจ็บไปหาหมอเป่าก้นน้ำอ่างนี้แถวๆนี้ไปแห้งเต็กมีหอดผีปอบก็มีมันคดหลายมันเป็นไปเมื่อหลวงเขา่าหอดพระกันยังมีก็ยังวะเวลาส่งสารดูดิแต่ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมนะเว้ยสบายชีวิตเนี่ย มันสบายเสวยเวทนาหนึ่งทางเสวยแต่ทางกายมันกระเจ็บก็ปวดแล้วข้างขาเนี่ยหัวเตี้นมือหูตาก็เป็นธรรมดาเสื่อมซ้ำก็ได้รับทุกขเวทนาเพราะเรามีอันนี้ไงมันจึงเป็นแบบนี้แต่ทางจิตเนี่ยมันสบายโอ้มันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองตถตามันเป็นเช่นนั้นของมันหนอเป็นที่สัตว์หนอเจ็บกับหัว่าเจ็บพระพุทธเจ้าพระเทวทัตกิ่งหินทับขา ก็ยังอุ้ยคือกันเน่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรงทางก็ป่วยยิ่งนหนักฮังอปวดตีนเน่าเลยจนว่ามีหมอชีวกกมาลพัดเป็นหมอประจำตัวต้องรักษาบึงอะดูแลโอ้เจ้าป่วยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรก็ธรรมดานี่แหละแต่ท่านไม่ทุกข์กับมันน่ะมันหลุดพ้นไปแล้วรักษาดีแล้วก็ดีคนอโอ้ยพระพุทธเจ้าเนาพระพุทธเจ้า คนบริหาไม่ได้รักไม่ได้ชังใครทําไมไปกิ้งหินทับทานมันก็อยากโพดไปได้เทวทัตนี่ก็ได้โพดว่าอยากเป็นไ่เป็นโตโพดว่าอิจซาลิชยาคนน้งคนนี้หรือเจ้าว่าอย่างไรนะพระน่อยบวชใหม่พูดนั่นก็ว่าโองมันจะปนไปจะไดนให้เที่ยงมันแน่เอาไปมาเขาคนลมลุ่มก็ทืบพระเทวทัตเขาเรียกว่าสหบาทาบ้านเราเรียกว่าแผ่นดินโุบ บ่เมนีนว่าแผ่นดินขี้ดินยียออกหอเปล่าเที่ยวาตวปุ๊กลุกไปหบ่เมียนได้เขาห่มทิบมัอนนี้นี่นี่แต่คําคสอนสับซ่างศาสนาเนี่ยคนศรัทธามากจนลืมเหตุลืมผลเนี่ยแผ่นดิน ค, คือคือคนด้วยกันนีนแล้วเรารับไม่ได้เราหนักหนักคนประเภทนี้หนักเหลือเกินเนี่ยมีเตสอนคนสอนคนรพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้คนพ้ทุกแล้วไม่ได้เกียจชังใครถ้าไม่มันมาทําแบบนี้นี่เอาเมียมานน่าได้ไย หพวกบวชมามันมีลายก็มีได้มันอารมณ์เก่ามันยังมีอยู่ได้มันเอาก็เอาเดี๋ยวเฮ้ยน่ะแหน่ตึบจะแล้วมันบัท่านบรรลุได้ชุ่มนีไหมพวกบรรลุแล้วก็โอ้ยปล่อยวางเทอกสร้างถ่อกรรมเก่าเล่ายังสิทุกดอกไม่มันสิสร้างปัญหาได้ขันเก็บไว้เนี่ยยังว่าอยู่เขาก็ลุ้มก็ทืบเลยเนาะพโมกขลาเป็นคนหนึ่งนะแต่ก่อนเป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน ว่าท่านไปบวชหาตีผู้นั้นตีผูน้นี้พอบวชมาแล้วบรรลุธรรมรูแ้แจ้งเอ็พวกที่ท่านไปตีนะเข า, าไม่ยอมถอยกูได้ยินว่ามันไปบวชได้ที่นีดด่มันบวชเสรจแล้วนพูดถึงสด้ดดดดต่วันมันบวชก็ไปแล้วไงบวชก็เพระพุทธเจ้าตัวกษรแต่คนมันตีแต่เฮาเด้กโมคล่าเนี่ยมันอ่ะนี่เดี๋นี่ต้าูกูนีมนน่ม่พน่แม่เอากู ง, งอนกูนี่ก็ะถือคนไม่สั่งไพ่มันหนีฟาดเอาโอย เฮดที่ไหนล่ะจย่อยากส้วนไปบายเพื่อนนี้แล้วนั้งแง่บินธบาตรคนจีวาไร่แงบินธบาตคนเห็นหลายได้ต้องเอาถอนถอนเพื่อนนั่งสันเขาวะพน่ะร้อยตีโถดพน่ะว่างแผนจบเถื่อได้ว่เขาเรียกเรียกว่ามีโจนห้าร้อยที่ยิงมัน ก, ก็ไปสามคนตัวนั้นแหละมันสัวหารรอยเนาะพวกโจนห้าร้อยพวไปนี่เมื่อ น, นึงท่านไปบินธบาตรกลับมาต้องกับไปนั่งปูผาปูนั่งขันนั่งสันเดียวกับมันสำล่วมเนาะ เขาก็หล่อยมากตัวกำลังสันเข่าอยู่แลนมันกับุ่คคลท่านมันพลุ่งพลังนะผ่าเส บ, บงนี่มันยาเนี่ยนะว่อทอมันจอดบนท่านเขาลัดทั้งผุดลัดทั้งปีนห่มตีเพิน่นเพิ่นก็บอได้ว่าเอาเอาโหลดโยเ่เบ้ยถ้ามาเปียดบาปเป็ดกรรมยังไงถ้ามาก็มาถือสาตอบมู่จักบ่ตอนนันเฮ็ดยังไง้มันเขาจะกอดฟาดเอาฟาดเอาวะทอบาด ก, กระเด็นกระดอนไป เพื่อนเขว่าโอ้ธรรมศาสตร์บ่โกรธบุคคลใดไปโกรธบุคคลที่โกรธเราแล้วโกรธตอบเขาบุคคลนั้นไม่ใช่บุตรเราสิทธาขดตบุริยว่าเขาแทงเฮ้าเฮ้าโกรธตอบคนที่แทงเฮ้าบ่แมนศิทธาคดถ้าอยากเป็นศิทธาคดจนฝึกให้ได้จนกระถางว่าบ่าโกรธตอบบ่มีอารมณ์ยัง้งสันเพื่อนก็ฝึกได้จ น, านปนายนั้นเพื่อนบรรลุธรรมเนาะ เพื่สบายเขาก็ฟาดทวนตายตายแล้วก็ยั้งได้สักไม่เท่าไปหาพปอบดิจจอเอาเป็นอ ย, ย, ยัางมากคือเลือดหลายแท่าน่ะเพราะไม่เอายาแดงท่าติบวเจ็บอิริเลือดสะเลือดน้องเมื่อล่าตายครับเป็นอย่างนั้นื่อก็เจ้าตีไพ่ตีพะนะพระในหลวงพนะไพ่ตีลูกพี่พะนะโอ้พอต้องใจเย็นเย็นเย็นเเป็นมีบากรำเก่าเฮาตัวโกรธตัวต้องหายเด้อปฏิบัติท่านเอา ทุกอย่างเป็นเกิดเป็นดับธรรมดาเพราล่าพระพุทธเจ้าบุบดลเนะี่ยเราก็มาตายตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่การศิลาตายที่การศิลามาตายมาตายที่เดิมนะเวลาพระเจ้ากลับมาตายบนเกา่าคนก็ะดุยสางสถูปเจดีย์บักยิ่งรถเขาเอ่นว่าวิบากกรรมเก่าเพลินกรรมเก่าคือไปตีเขาเราบารรลุธรรมนะแต่คนอื่นมันไม่ไม่หยุดเกลียดชังนะนเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเนะย คำสอนพุทธศาสนาเนี่ยเพียงแต่ว่าเราปล่อยแล้วคือกันองค์ุลิม่านก็เป็นแบบนั้นละ่ะไปขา่าผู้นั้นผู้นี้เนี่ยไปบินบาดมาบวชเป็นพันละโอ้ข่ากูลูกกูัวกูเมียกูเขาก็ตีกะเนาะตีได้รับวิบากกันคือ ก, ก้อนอิดถือยังเขาล้วไปบินบาดไปตีเอาเพื่นเขาโอ้ยสางเขาไปพระพุทธเจ้าพาไปบินบาดจังหวัดอื่นแนมอยู่สะกคนเขาตีไปบินอุดรอนมา ไ, ได้ที่ได้พระเจ้าว่าไป แต่มันเฉยมาจบน่ะจะพาไปเป็นอูดรอุดอนเขาตีไปบินซีซเกีตไปนะไปเรื่อยๆเอาไปมาเพื่อจะว่าว้ามีไส้บนอ้ออะไรเรื่องเคยมีมาด้ินะสมัยหนึ่งพระอนุกับอยู่กับพระบุญเจ้าไปบินธบาตซุ้มนึงเขาว่าซุ้มสมณะหัวโลนเนี่ยม่บินธบาตอีกแล้วนี่มันไม่อีกแล้วมันไม่อีกแล้วนี่ยังมาเศร้าเฮ็ดเวียกยังเดีนี้ตื่นมาอุ้มบาทเพ่นี่ไหม เทเลื hitting, hitting, hitting. En, ่เทเล่ไปแต่ก oh. ็าม the ่ไ <outfits> ด so ้ห้องหรอกว่าไปซื้อซื้อสํารวมไปให้กับเอาบพาะให้กับเพะเอาให้ก็เอาก็บเพาให้กับเพราเอาบางอง์เพราให้ก็เอาเ่าะให้กูก็เสียเอาเพื่อนก็บินบาทไปเรื่อยๆข้าราชกาออกมาด่าพวกนั้นออกมาด่าพวกนี้ออกมาด่าบางทีศาสนาอื่นก็คือเห็นพระพุทธเผยแผ่ธรรมะที่เขาจ้างคนมาด่าสมณะหัวโล้นเขาใช้คํานี้ประจําเลยนะ พวกสำนัหัวงล้นไม่มีอันทำการทำงานไม่มีทำไรทำหน้ามีแต่จมะมาขอทานขอทานขอทานพบุยพบยาว่าบเมนขอทานอะพะเน า, นเ า, าะอันนี้เขาอ่านบอมาปวดสัตว์ก็คือกันนั่นละพันาบอกคือบ่ได้ขออันี้ถ้าเห็นคุณงามกลนเห็นประโยชน์สิ่งที่เอ้ามี่เอ้ารับ ขอคือความอยากได้มาบินธบาตมื่อนี่ว่ได้อยากได้มาปวสัต์ก็คือมาทําความรู้สึกโตยู่กับตีนเดินไปเรื่อยจุดประสงค์มายังมากมื่อนี่คือ น, นิพพานบาได้ว่ารมาขอเขากินเขา่าดับทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งกายถึงแม่สิบ่ิวารกินแต่ตายมื่อนี่ต่าหาเกิดการลู้แจง้งเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สมพวนแล้วไปยางไปซื้อโยมเขต้องทุกข์นัมัตมาบ่าไหก็บม่ต้องเป็นยังอัมัตมะบริวารื็เกันไปบินธบาตมหรือคุ้มเมื่อนี่ก็เกิดยังไปบางคนไป ย่งางไปบินตาบาัตตามบ้านคนบางคนเขาก็ให้บางคนเขาก็ไม่ให้บางคนเพ่นก็นลีแล่นเข้าไปลีอยู่ในเงื่อนเป็นเท่าก็บบริคต์หนังปวดว่ามันขี่ทีเนะ า, านะขมบัวพอดอย่างไปบินตาบาัตย่างไปซื้อๆนะ่ะเดินไปเฉยๆเดินไปรู้สึกตัวไปรู้สึกย่งาง น, นับเมื่อหนึ่งจะกล่าวเดินไปนี่แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันซื้อๆเกิดปีติคนลูกว่า รู้จังว่าดีเทเรนโน่เดินมือบินบาดวันนี้คนบอไซบาทก็บอเป็นยังแต่ว่าเราได้ธรรมะอยู่ในใจเราลราโปรดสัตว์ที่มันจะพูดออกมาในใจเนี่ยดับไปเรื่อยๆก็ไปกับมาบางคนบ่เ ล, เลี้ยวพุ่นเลี้ยวพี่มี่บอปุ่นนันมาใส่มีอ่อปุ่นีมาใส่บางคนบ่เฝ้ า, าแลนมาใส่ใส่บาทเห็นเขาปีงกไกผิกไปผิกมาอยู่กับเลี้ยวเบื้องซื้อเบื้องเดืดขึ้นยังบิ่งปลาบางคนเป็นยามาใส่พอมันผอเออนผอินมาใส่เมมันวะเนี่ยอีน้ามึงยาไปใส่ตัวนั่นน่ะมันอ่ะเอาไปขาย เอาข้าวรสซองหมู่บ้านที่อยู่ในตู้เย็นเลยน ะ, ะเอาตายตัวซองเก่าก็เสี่ยวมาใส่อือันกล้วยไหมเนี่ยใสเลือกกล้วยเก่าๆเล ย, ย, ย น, นะพ่นะอันซุมมันบดสิ้เนเท่านลยนะใสกรแม่นอี ด, ดีได้เวลาเขามาใส่ก็อะไรมาปอนใสเข้าจําไใบถุงนี้เนาะของเมืองต่วันนี่ตัวนี้กูกินในยาน้าหากออกเยอะนี่มือนไม่รลามากินก็ขึ้นกันเนาะก็กิน ป, ปุ๊บเอาทิม ว่าเห็นมันตกนรกเด้อมีอดไม่ได้ที่จะขึดบางคนกับเลยพระใหม่ฮันบางคนนี่เลือกเอาแต่อันเก่าๆมาใส่เฉยด้ยบัวล้านเขาจะบริษัทนี่เขาเอาอตของดีใส่เพราะว่า จ, จิตใจนด้จิตใจสิ่งที่ทํานี่คือทํากับจิตใจตัวเองเลย้ำบุญทำด้านเนี่ยเขาในหงอดเขาก็ตัดทั้งใต้หมดน่ะใส่ใสเอาไปใส่บาดรนอติบนี่เนี่นยไปแท้ต้องเนอย่ยจะไปซิมเนีย่ยจะไปโจกกินก่อนอเป็นมีบา ก, กรมเลยต่าก็ บ, บก่กเออเขามานเราโซฟางมดเลยกัน เนี่คุมเงินเขาเห็ดพ่อเป็นพิที่ไปบินบาดกับพ่อเป็นพผีที่ใส่บาดใส่พกกับเป็นพิที่บ้านกุณเหยดกุดไหานี่ยรงกล่าวว่าจะไปถ่ายวิดีโออยู่ใส่บาดเป็นยม า, า, ามวันเศร้าช่วงหัามรคนชุดเงีเหยียบปุ๊บนะบานเขามาใส่บาดหลายเด้ทั้งที่พระบ้านเขาก็มีใจกระเทยทั้งหมดดีปันเฮาไปเขาจะมาใส่หลายบ้านนะข้าเจ้าเห็ดดีด็แท้ เป็นพระเพีนี่เนาะคือปานวันพระนี่ไหมทุกมื้อเด้มันเป็นเจ้าทุเรศพ่อสอมากเลยเป็นแบบนี้ขาเจ้าเฮ็ดบุญที่ท่านแต่ของเราอย่างว่าแหละบางเทีจกกรติบเข่ากัมาหมุนไว้ยหมุนไว้ยทาพระบริม่ามาหวดเราไปนาะเพื่อมาหงอดจนดับหมดเลยแม่อันนี้หลวงตาไปบินบัลลังตาเฮ้กูเปล่าอันนี้ว่าเอาอันไม่หลวงตาจะบอกเลยเด้นั่นข้าเจ้าจังหวัดหลวงตาบอกคอยสาร่วม บุคหน่ง้ตมันสรู้เมนเาบาก้มจริงหมบางคนเจอว่ามันเห่ยนแล้วว่ไปเมาใส่บางเดียเขาจําไ้มันตกคลอแลงไปยู่ผลมเป็นมุมนั่นก้มกลแหล่ๆซะเนี่มากเก๋ๆจกไหหมาซะเตอเบาว่ะนะคนเข้าจับว่าเขาใจมึงจะเฝ้าเปิดเลยแม้ว่ากูยัางกิโลนึงจังมาะหอดกระมึงปิดไวซก้อนยี่นะมันยืนถ่าได้บางคนกร การใส่บาทรจะยังกระท็บให้มันดีวัฒนธรรมวัฒนธรรมนางใสง๊งาบถอดเกือบแน่เอาภิกษุจะไม่แสดงธรรมคือบอเอื้อเฟอื้อศีลเอือเฟื่อทำกับคนที่ไม่ถอดรองเท้าเวลาพูดคุยยืนคุยน้ำพ่นจิบเว้า พ, พระสงฆ์ข้าวขย่อมใส่เกืบพระโบใส่เกือบพ่นโเว้าอยู่สูงย่ยมอยู่สูงกลัวพ่นจีบคุยน้ะวินัยเขาเปลี่ยนแบบนั่นแต่พระ เพื่ออย่างพร ะ, พระไม่ให้ลุ่แก่โทสะทุ่แก่ความอยากของตัวเองอย่าเบาทำโยมจนกระทั่งมาเขาขี่รถไก่กันมาทั้งไหนโยมมันขี้มันบวชคือบวต่อไปบ่อยถามคนหนึ่งอยู่ในยานคนหนึ่งอยู่ข้างล่างมันบ่อยถา ม, บ, ถามบ่อยคุยนั่มเขามีมารยาทจะไม่คุยสนทนากับคนที่สวมหมวกพวกศีรษะแบบนี้เขาบ่ห้มีไปบิณฑบาตก็คือการคือการแสดงนรรมํากันนั่น เพื่ออย่างเพื่ออย่างให้คนนั้นมีศรัท ธ, ธ, ธ, ธาเยอะกว่านั้นคําว่าศรัทธาเยอะกว่นั้นคือจิตมันนอบน้อมกว่านั้นแล้วเขาจะเกิดปีติเกิดสมาธิเร็วขึ้นเกิดปัญญาไวขึ้นจุดประสงค์ก็คือของคู่ที่มาทำบุญกับเราตัวเราเองก็คล้ายๆว่าการไม่ลูกแก่อํานาจของความอยากเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิปทาเกิดความสํารวมเราไม่ระวังทั้งสองอย่างจุดประสงค์คือให้ทั้งนั้นได้บรรลุธรรมให้รู้แจ้งผู้นี้ก็เกิด ทำลายกิเลสทีละเอียดลงไปอีกนะเนีขาวางไว้ดีแต่ทุกวันเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นสนุกส น, นั้นเพลินเพลอนแล้วแต่สิเป็นสิไปทั้นสัจธรรมที่กาลังจะเบ่งบานเบ่งบานไม่ได้มันไม่เกิดมันไม่งอกไม่งามยังไงก็ตามญาติโยมเอ้ยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ฝากไว้เดี๋ยวนี้ไก่สิบเบิดแล้วไก้สิเสื่อมสลายสูญหายไปแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ที่จะเป็นพระสงฆ์จริงๆก็แทบไม่มี แทไม่มีนะยาเหลียงไก่บ่มีโตขันเวันว่าวัดไก่ถ้าบ่มีนากลิ่นยาเหลียงไก่บ่มีโตขันญาติโยมที่เลี้ยงพระสงฆ์เลยจ้ามีไม่ตัวที่มันขันสัจะธรรมเนี่ยมันพูดออกมาเนี่ยร้อยพันร้อยร้อยพันหมื่นตัวเนี่ยจะมีสักตัวหนึ่งไหมมันหายากนะมันยากนะจะมีตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่มีอยู่เลยลยนี่ก็ไม่รู้อันไหนของจริงของปลอม เสื่อมสลายหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆศาสนาสวยนะคุณมือเนี่าศาสนามันสวยคือมันใกล้สิ้นสุดการประวัติศาสตร์แล้วเขาว่าสองพันห้าร้อยปีหกร้อยปีห้าพันปีมันเสื่อมลงเสื่อมลงเลยจะเริ่มไม่มีพระแล้วต่อไปพระนี่จะเป็นโยมฮนะติดป้ายเข้ามาเร น, นีนะ่นุ่งยีนรีไวทนะ์ใส่คอนเวิร์ดใส่แต่ก็ขึ้นมาพระพระสัง กุจาโรพระสังเฮโรอินโนิตแต่เวลาเข้ามาบ้านก็ถอดออกเหมือนพระคิดเนะ่ยพระคิดนะ่ะเขาเป็นแบบนั้นเขาง่ายบาทหลวงแล้วนะี่ยเราก็จะเป็นแบบนั้นในอนาคตเนี่ยผ่าเลี้ยงหน่อย ห, ห้อยหูคือพอแต่ได้ยินที่ว่ามีพระเคยได้ยินเหลาเรื่องว่าอริยสัตบรรลุอริยสัตว์เป็นยังไงคือจะได้ยินเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นเนะี่ย เหมือนเราปัจจุบันนี้เหลืองพระเหลืองน้อยห้อยหูก็คือได้ยินเรื่องว่าบรรลุธรรมสินส้นทุกสิ้นทุกไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ได้ยินในนี้ยนี่มันถึงยุคอันนี้แล้วเดี๋ยวเนี้ยยุคพระเหลืองน้อยห้อยหูแล้วมันเสือเส่อมไปเสื่อมไปพระก็เริ่มดับหายไปปริยัติก็เริ่มไม่มีหนึ่งเพศลิงค์าอันธานเพศสมณะเพศจะเริ่มหายไปอันที่สองปริยัติปริยัติก่อนมีนักธรรมเรียนนักธรรม แต่ก่อนเพิ่นเรียนในน้อยแต่เพิ่นสมสัมรวมระมัดระวังนะพระสงฆ์หน้ากาบหน้าไหว้มากนะแต่ปัจจุบันนี่ปริยัติหมดไปแล้วมันจะเริ่อหมดเพราะอะไรคนแห่ไปเรียนปริญญาตรีเถอะอีเรียนปริยัติสมาแล้วไม่เรียนคําสอนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ท่านพระนี้มันจึงดูมันร้อนน่ะปฏิบัติล่ะถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติก็ไม่มีทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เปรียนปริยัตะเนี่ยเรียนปริยัติปริยัติคือความรู้เนี่ยมาเรียนรู้วิธีนี้แล้วก็ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติถูกต้องก็จะสัมผัสผลเรียกว่าเป็นปฏิเวทปฏิเวทถ้าทำก็คือมรรคสีผลสีนิพพาหนหึทุกมันกระดับลงได้ทำลํำดบแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมเริ่มเสื่อมไปแล้วพระสงฆ์เขาจะพระเนเรนเขไม่เรียนนี่แล้วเปิดวิทยาลัยสงฆ์เนี่นู่นนี่แต่เขาเรียนเรื่องข้าหลอกนู่นอ่ะก็ไม่ได้เรียนเรื่องอันนี้เห็นไหมมหาวิเลยหนึ่งทําให้คนเป็นพระโสดาบันไดไ้ไม่มีมีแต่พระวัดป่าอาศัยดูแลศา ส, สนาที่เป็นแก่นอยู่ปัจจุบันเนี่ย นั้นมันเสื่อมแบบนี้แหละแต่มันเสื่อมแบบเรายอมรับกันได้ใครๆไยอมรับทไายเอ้าธรรมดาธรรมดาแหละเนาะนานมาโลกมันต้องเจริญเนี่ยเห็นไหมน่ะมันมันเสื่อมแบบคนยอมรับได้ซึ่งถือเรื่องอันตรายมากมันก็ไปเรื่อยเรี่อยเรืรืรื่อยืยพระอยู่ตามบัดตามบากรมาไม่ได้แล้วปฏิบัติธรรมโมยงยากร้ายทำนนท์ทำมี่นะทำปะป่าทำกระถินทำบทวิหารทานปัจจีรีทำลานทำล้านกีฬา ทำโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์อันนั้นเด็กเล็กอะไรสารพัดนะเอาเขาไปในวัดจริงวัดคือสถานที่ฝึกจิตไม่ใช่สาธารณสงเคราะห์นะคนรัาานกันนะคนละอันยิ่งสงบมากยิ่งเป็นประโยชน์ในนี้ราชการเขาไม่มีอะไรเขาก็แย่งเอาพื้นที่วัดเนี่ยมันตาไปในเมืองเห็นแถวบ้านพานเนี่ยไปทําศูนย์เด็กทําสนามกีฬาทําอะไรลุกเขาไปเรื่อยๆถามว่าได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์แต่ได้ประโยชน์เรื่องโลก ไม่ใช่เรื่องทำเรา ม, มองว่าแทนที่จิตใจคนจะสมบูรณ์รู้แจ้งเห็นจริงใส่คำความสนุกสนานความเพลิดเพลินเจาะลึกก็ไปในวัดเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อที่ไงไม่ต้องเวนคืนไงมันง่ายแต่ผลที่ตามมาก็คือพูดถึงเรื่องปรมัตถธรรมเสื่อมหมดแล้วไม่มีเรากาลังพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้อันเนี้ยเขาไม่รู้แต่ถ้าที่รู้ไปดูดิคนที่ฝึกปฏิบัติธรรม มีแต่คนกรุงเทพกรุงไทยมีแต่คนไปมาทางไกลเขาเสาะแสวงหานักเสาะแสวงหาแต่พวกเราวัดดีๆมีอยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักไว้ใช้ยังไงก็เลยกิเลสราชการมันดึงไปลากไปใช้หมดนะเอาไปใช้แบบเทมแบบคาวาะใช้มันก็ไม่มีประโยชน์นะต่อพระก็จะลุกเป็นโลกนั่นโลกนี่เขาไปเรียๆๆหมดสภาพสงสารศา ส, สนาพุทธพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติธรรมไปค้นพบของดีด เอามาให้เราเนี่ยเนี่ยโทมัสเอนวอดิสันเนี่ยรู้วิธีผิดหลอดไฟนี่เอามาให้เราใช้ก็ใช้มาจนปัจจุบันพระพุทธเจ้าไปรู้วิธีดับทุกข์เอามาให้พวกเราใช้พวกคนทุกคนเนี่ยต่างเป็นทุกข์แต่ไม่รู้วิธีใช้ไม่ศึกษามันก็เลยไม่เข้าใจเศรษฐธรรมพอไม่เข้าใจเศรษธรรม ไม่ศาสนาพุทธก็ซ้านั่นแหะมันก็เหมือนกันทานศีลนี่มันเหมือนกันอนุเคราะห์สงเคราะห์นี่เหมือนกันทุกศาสนาแต่วิปัสนานี่มันมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นเองนีปรัสนาการรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยแต่ว่ากว่าจะเข้าถึงมันก็ยากยากนะเนี่ยยากไหมถ้าว่ายากก็ยากถ้าไม่ถ้ง่ายก็ง่ายมันอยู่ที่ความศรัทธาความตั้งใจจริงเท่านั้นเองทาไม่ได้วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพราะว่านี่คือชีวิตเราถ้าไม่ทําเราก็ทุกข์ลุงแต่งยึดติดปลูกพันแก่เจ็บตาย ถ้าเราอยากข้ามพ้นเราก็ต้องฝึกคนอื่นจะเกลียดชังเราก็ตามเรื่องของเขาคนเรามันไปจัดใจให้เหมือนกันมันไม่ได้คนนี้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่เราเนี่ยจะต้องไม่ชอบไม่ชังใครอ่ะเราจะต้องฝึกจิตเพื่อเข้าถึงสัจธรรมที่พุทาธเจ้าสอนแล้วก็กโอ้โจบภารกิจของการเกิดมาเป็นคนลกูเนี่ยเข้าถึงที่หมายแล้วพ้นทุกแล้วก็สบายดิ แต่ไม่ฝึกปนั่นแล้วก็จมอยู่อยนั้นแล้วมันนึงมันก็ติดลดูกติดลาติดเงินติดทองเข้าของไปไหนมาไม่ไหนไม่ได้ทิ้งซะแย่งโยมทิ้งซะปล่อยวางซะทุกอย่างเดี๋ยวนี้ศาสนาเนี่ยมันมันเป็นยังไงแทนที่มันจะเป็นเรื่องของศาสราเป็นเรื่องทานศีลอยู่ประมาณเนี่ยทานศีลยอมใจให้คนหลงอยู่แบบนี้เนี่ยตั้งใจนะ